อาจารย์ครับกล่าวนพัสีการครับผมเจารย์ครัาดีนะครับผมยังสาดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ท่ากันแข็งแรงอยู่ครับยังใช้ได้อยู่พออยู่ได้ครับเมื่อเช้าเพื่อนผมไปใส่บาตรตาจารย์ด้วยครับแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้มแจกาทานด้วยครับอาจารย์ก็มีชาวบ้านที่ก็เกิดแล้วก็เราขออาหารเราก็มีอาหารเยอะก็พอถึงปลายแถว เขาเขาก็มาที่รถแล้วก็คณะทีมที่มาช่วยบินสบายเขาก็จัดอาหารแจกกันนปาะมีตามเกิดโอ้ดีสังเลยอาจารย์ก็ได้มาก็ต้องแบ่งไปธรรมดาก็พาก็เก็บไว้ในส่วนที่ท่านต้องการจะฉันส่วนที่เหลือท่านก็ท่านก็แจกทานั้เพราะอาหารเราก็ไม่ได้มีการสะสมเก็บอาไว้สำหรับวันทรุ่งนี้แต่อย่างด ครับสาธุครับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับคุยเรื่องหนักๆมาสามสี่ครั้งครับพระอาจารย์วันนี้ขออีกอีกครั้งหนึงครับพระอาจารย์ครับเป็นในแง่ของการภาคปฏิบัติอีกครั้งนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้เข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุธรรมครับวันนี้ผมก็เลยจะขอกลับเมตตาพระอาจารย์ด้วยแสดงเรื่องสติปัฏฐานสี่ในทางปฏิบัตินะครับพระอาจารย์ครับเลยสติปัฏฐานสี่นี่ ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเราก็อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของการเจริญสติแต่ความจริงแล้วพระสูตรนี้ทรงแสดงวิธีเจริญทั้งสติทั้งสมาธิและทั้งปัญญาเป็นถือว่าเป็นเป็นคู่มือในการปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆ ท, ท, ที่มีในใจให้หมดสิ้นไป ขัน้นตอนแรกท่านก็นสงสอนให้เราจะนอนสติด้วยการมีสติอยู่กับร่างกายเวลาร่างกายเราเคลื่อนไหวเวลาร่างกายเราทําอะไรต่างๆให้เราจดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวกับการทำต่างๆของร่างกายอย่าให้ใจไปคิดเรื่องอื่นไปอยู่ที่อื่นให้อยู่กับเรื่องที่เรากําลังทำอยู่ตลอดเวลา น่าตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลาหลับนี่คือเบื้องต้นต้องเจริญสติให้ได้มากๆก่อนไม่ให้ใจเผลอไปอดีตไปอนาคตไปที่ใกล้ไปที่ไกลด้วยความคิดต่างๆให้อยู่กับร่างกายกำลังยืนกรู้กำลังยืนกำลังเดินก็รู้กำลังเดินกำลังนั่งก็รู้กำลังนั่งกำลังทําอะไรก็รู้กำลังทําอะไร กำลังหลับน้ากำลังแปลงควันกำลังทำอะไรให้มีสติรู้อยู่กับการกระทา ต, ต่างๆเหล่านี้ตลอดเวลาอันนี้จะาสำหรับผู้ที่เป็นคารวะผู้คองเลยบังแล้วก็คงจะทิบรรยากอพอนนี้เป็ น, เ ป, นเป็นพระสูตรที่ทรงสอนให้กับพระภิกษุที่ไม่มีภารกิจจานงานต่างๆต้องทำสามารถที่จะคอยเฝ้าดูปิยาบท การคลนไหวต่างๆของร่างกายได้ตลอดเวลาเพราะพระไม่มีภารกิจการงานที่ต้องใช้ความคิดต่างๆเหมือนกับคาววะผุ้คลองเลยเห็นท่านที่ผู้ฟังที่เป็นคารวะท่านก็อยากไปวิจวิตรว่ามันยากไม่เกินใช่เพราะมันไม่ได้สอนสําหรับคารวะพระสวดนี้สอนให้กับพระภิกษุนักบวช อดที่สละเพศของกาลาว่าที่มีเรื่องวุ่นวายต่างๆมาคอยลบปวนใจอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นกาลาวาก็อดที่จะคิดเรื่องเรื่องครอบครัวเรื่องการงานเรื่องภารกิจต่างๆที่จะต้องทําอยู่ตลอดเวลาเรื่องปัญหาต่างๆโอกาสที่จะมาถึกสติเพื่อไม่ให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับในปัจจุบันนี้ก็คงจะเป็นของที่มันค้างจยาก สำหรับผู้คารวะผู้คลองเรือนถ้าต้องการเจริญสติแบบพระก็ต้องหาเวลาว่างเป็นวันหยุดทํางานไปอยู่วัดสักวันสองวันไปอยู่แบบพระไปอยู่เป็นแบบก็เป็นนักบวชชั่วคราวบวแค่ยี่สิบสี่สี่แปดชั่วโมงคือปล่อยวางภารจิตทางโลกทั้งหมดไปไม่เอาอะไรไปติดตัวไปไม่เอาเรื่องราวติดใจไป เรื่องงานเรื่องครบครัวเรื่องปัญหาตา่างๆนี้ที่ไว้ที่ที่ที่บ้านที่ทํางานไปที่วัดหรือไปที่สงบปิดวิเวกคนเดียวแล้วก็มาเจริญสติได้เจริญสติอย่างที่บอกได้อันตอนถ้ามีสติเจริญได้อย่างต่อเนื่องเราก็สามารถที่จะนั่งสมาธิทําจิตให้สงบเป็นสมาธิได้นี่ก็ขั้นที่สอง สแสดงให้นั่งสมาธิโดยการใช้อนาปานสติคือการดูลมหายใจเข้าออกอาณาปานะแปล ว, ว่าลมเข้าลมออกสติให้มีสติอยู่กับลมเข้าลมออกที่ปลายจมูกหรือสําหรับบางท่านก็อาจจะอยู่ที่หน้าท้องหน้าอกก็ได้สองที่พวกที่ดูหน้าท้องเขาบางจะพูดคําว่ายุบหน่อองหรอเวลา ลมเข้าท้องก็จะพองขึ้นมาเวลาเราออกท้องก็จะยุบลงไปที่มาของคําว่ายุบหนอพองเหรอสําสหรับผู้ที่ดูเราหมายใจที่ปลายจมูกนี่ก็ไม่มีไ ม, ไม่ไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องว่าเลยให้รู้เฉยๆรู้ว่าลมกำลังเข้าลมกำลังออกรู้ที่จุดที่ลมสัมผัสที่ปลายจมูก ไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมลมจะสั้นจะยาวก็ให้รู้ตามฟงเป็นจริงอย่าไปนั่งแล้วบังคับให้หายใจเรายาวลึกๆอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่เป็นการเจริญสติมันเป็นการไปควบคุมบังคับลมให้ดูให้ลู้เฉยๆลมสั้นลมยาวลมหยาบลมละเอียดหรือลมหายไปก็ให้รู้ว่าลมหายไปรู้เฉยๆรู้อยู่ที่จุดเดิม ถ้าถึงขั้นที่รู้สึกว่าลมหายไปแล้วก็แสดงว่าจิตใกล้จะรวมแลก็รู้เฉยๆไปไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปถอนไม่ต้องไปเปลี่ยนที่ไม่ต้องไปตกใจว่าลมไม่มีแล้วเราจะตายหรือเปล่าลมมันละเอียดจนเราไม่สามารถจับมันได้แค่นั้นเองถ้าเราสามารถจ่ออยู่ที่เดิมได้จิตเดี๋ยวก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิขึ้นมาสมาธิก็มีสองลักษณะ คณิกกับอัปปนาสมาธิถ้าจิตสงบนิ่งเฉยๆชั่วคราวเดี๋ยวเดียวชั่วขณะหนึ่งก็เรียกว่าคณิกะถ้าจิตสงบนิ่งอยู่ในสมาธิได้นานก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิคำว่านา น, นี้ท่านก็ไม่ได้กําหนดว่านานคือกี่นาทีก็คงหมายถึงนานกว่าคณิกะคณิกะที้เป็นเหมือนกับนกกระเจาะกินน้ํา พอเข้าไปปุ๊บจิตสงบเกิความรู้สึกตื่นเต้นมว า, าสจั่นขาดสติจิตก็ถอนออกมาอันนี้มักจะเป็นสําหรับผู้ที่เริ่มปฏิบัติใหม่ๆผู้ที่ไม่เคยได้สัมผัสกับสมาธิเวลาได้สัมผัสกับการรวมของจิตเป็นสมาธิขึ้นมาครั้งแรกก็อาจจะตื่นเต้นตกใจเพลิดสติพอเพลิดสติจิตก็เลยหลุดออกมาแต่ครั้งต่อไปเริ่มรู้แล้วว่าเป็น เป็นสิ่งที่หน้ามาสะใจและรุ่นวิธีว่าจะต้องทําไงให้อยู่ในนั้นต่อไปนานๆก็คือเจริญสติให้มากๆขึ้นนอกจากการใช้อนาปา น, นสติแล้วทางสายวัดป่าเราก็มักจะใช้พุทธานุสติแทนอนาปา น, นสติได้คือการการบริกรรมคาว่าพุทโธพุทโธอยู่ในใจนี้ก็สามารถใช้แทนอนาปา น, นสติได้ บางท่านก็อาจใช้สองอย่างรวมกันก็ได้เช่นหายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโทบางท่านก็ดูลมหายใจเพียงอย่างเดียวไม่มีพุทโทก็ได้บางท่านบริกรรมพุทโทอย่างเดียวไม่ดูลมหายใจก็ได้ดั้นการนั่งสมาธินี่สามารถใช้สาวิธีหลักๆนี้ได้นอกจากนั้นอาจจะมีวิธีอื่นๆซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเปรดย่อยของแต่ละคน จะไม่มาพูดในที่นี้เพราะว่ามันจะไม่จําเป็นให้รู้ว่าเราพูดถึงเรื่องสติปัฏฐานสูตรถ้าอ่านสติปัฏฐานสูตรเนี่ยพอทรงสแสดงปุ๊บส่งสอนให้พระไปอยู่ในป่าไปนั่งตามโคนไม้นั่งคัดสมาตั้งตัวให้ตรงแล้วก็กำลังสติให้ดูลมหายใจเข้า อ, อ, อันนี้ท่านสแสดงตอนที่พระ ได้เจริญสติมาแล้วมีกําลังที่จะมานั่งสมาธิได้แล้วก็ให้เจริญเพื่อให้จิตรวมเปน็ปนอัปปนาสมาธิรวมครั้งเดียวก็ไม่พอต้องรวมบ่อยๆรวมหลายๆครั้งทําทหลายๆการฝึกสมาธินี้อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรไม่ใช่พอได้สมาธิจิตรวมทั้งแรกปุ๊ก็จะไปทางปัญญาทันทีอันนี้มันทางปฏิบัติมันไม่ได้เป็นอาง เพราะว่ากำลังของสมาธิยังมีน้อยไม่พอที่จะสนับสนุนการพิจารณาทางปัญญาได้ในทางปฏิบัตินี้ขั้นที่หนึ่งที่สองนี่อาจจะใช้เวลาสำหรับบางคนเป็นเวลายาวบางคนเป็นปีบวชมาเป็นปีกว่าจิตจะรวมได้นี่ก็นานพอสมควรบางคนก็ไม่รวมเลย อันนี้ขึ้นอยู่กับความพยายามในการฝึกสติการสติของแต่ละคนดังต้นนี้ฝึกสติโดยการเวลาที่ไม่ได้นั่งสมาธิเวลาการมีการเคลื่อนไหวให้ดูร่างกายไม่ให้ดูดลมเพราะลมเป็นของละเอียดดูยากดูร่างกายมันชัดกว่าง่ายกว่าเวลาเดินก็เดินชมกลมนี่ก็ดูเท้าก็ได้ คือถ้าว่ากําลังขยับไปซ้ายขวาซ้ายขวาไปหรือจะใช้พุโทโธช่วยเสริมด้วยก็ได้เดินไปซ้ายก็ว่าพุโทโธขวาเขาว่าพุโทโธเป้าหมายก็คือเพื่อต้องการดึงใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆต้องเข้าใจหลักของการเจริญสติเพื่อหยุดความคิดเพื่อไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆเพราะว่าถ้าคิดนี่นั่งสมาธิาไหนก็จะไม่มีวันสมบได้ ถ้าไม่คิดหรืคิด น, น้อยพอนั่งสมาธิเดี๋ยวสติมีกําลังมากก็หยุดความคิดได้พอหยุดความคิดได้จิต ก, ก็รวมเป็นสมาธิได้เป็นอัปปนาสมาธิได้อัปปนาสมาธินี้จะให้ความสุขกับผู้ปฏิบัติที่พระเจ้าทรงตรัสว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนัตถิสันติบาลังสุขขงังจะทําให้ผู้ปฏิบัตนินี้มีต้นทุน มีความสุขที่เป็นต้นทุนที่จะสามารถเอาไปแลกกับความสุขที่เคยเคยมีอยู่ได้คือความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถ้ายังไม่มีความสุขทางทางความสงบนี้จะล่าความสุขในการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้ไกายได้ยากแต่ถ้ามีสมาธิแล้วมีความสุขแล้ว จิตจะสามารถที่จะละการหาความสุขในลูกเสียงกลิ่นรสต่างๆในราภโยสสารเสริญได้อันนี้เป็นเรื่องของสมาธิให้จิตมีพลังมีอุเบกขาถ้าจิตสงบแล้วจิตจะปรสศจากอารมณ์รากชามโกรลงที่จะทำให้จิตนี้สามารถใช้สู้กับ ิเคือความรักชกลัวหลงได้เวลาออกจากสมาธิมาพอได้สมาธิได้คงเบ่งาตลอดเวลาอยู่ในสมาธิก็มีออกจากสมาธิก็ตามมาด้วยเพรนั้นก็พร้อมที่จะไปเจริญขั้นปัญญาต่อไปสิ่งที่ปัญญาต้องพิจารณาเพื่อปล่อยวางก็คือกายเวทนากับจิตนี่ ด้วยธรรมนี่ที่มาของสติปัฏฐานสีนะ่กายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตเป็นเป็นเป็นตัวที่จิตไปยึดไปติดไปทุกข์กับกายเวทนาจิตถ้าจิตต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ก็ต้องพิจารณากายเวทนาจิตด้วยธรรมคือด้วยกายลักด้วยอนิจจ์ทุกขังอนัตตาด้วยอริยสัจสี่ ยายก็จะสามารถที่จะปล่อยวางกายเวทนาจิตได้โดยเห็นว่าถ้าไปยึดไปติดกายเวทนาจิตนี่จิตก็จะทุกข์เพราะว่าเป็นสิ่งที่จิตไม่สามารถไปห้ามไปบังคับได้ช่าเช่น พอเราเจริญปัญญาขั้นแรกเราก็เจริญที่ร่างกายพิจารณาร่งารงกายว่าไม่เที่ยมพวกเราทุกคนกิเลสของพวกเราทุกคนต้องการให้ร่างกายเที่ยมกันที่มีรายการหมอก็เพื่อต้องการไม่ให้นอกร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้าพิจรารณาโดยความเป็นจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะเป็นหมอหรือไม่เป็นหมอก็หนีไม่พ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยหนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตาย นี่คือสัจธรรมความจริงที่เรียกว่าอนิจจาต้องพิจารณาร่างกายว่าเป็นอนิจจงไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอ น, น้ปรการหนึ่งแล้วความไม่เที่ยงของร่างกายนี้ก็จะทำให้เราเห็นว่าร่างกายที่สวยที่งามนี้ไม่ช้าก็เร็วต้องกลายเป็นร่างกายทีย่ไม่สวยไม่งามไปที่เวลาที่ร่างกายแก่ ในเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยในเวลาที่ร่างกายตายนี้ร่างกายจะไม่ดูไม่น่าดูเหมือนตอนที่ไม่ได้แก่ไม่เจ็บไม่ตายอันนี้ก็เป็นการพิจารณาความเป็นจริงของร่างกายว่าไม่สวยไม่งามความสวยงามนี่เป็นของชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องเปลี่ยนไปหมดไปเรือ ว, วิธีหนึ่งก็ให้พิจารณาดูอาการสาสิบสองที่มีอยู่ในร่างกาย ใหเห็นชัดเจนว่าร่างกายนี้นอกจากผมขนเล็บฟันหนังที่เราเห็นแล้วมันยังมีอาการอีกยีอาการที่ซ่อนอยู่ภายใต้ร่างกายคือใต้ผิวหนังก็มีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีม้ามีปอดมีตับมีไตมีหัวใจมีลำไส้มีสมองเป็นต้นแล้วก็มีน้ําต่างๆน้ําดีน้ำเสลดน้ําเหลวน้ําเลือดน้ําเหนือน้ํามันข้นน้ําลายน้ํามันเหลว ไปถึงน้ ำ, นำมูดนี่คือสิ่งที่มีอยู่ในร่างกายถ้าเราพิจารณาดูอาการต่างๆเหล่านี้เราก็จะได้เห็นว่าร่างกายนี้มันไม่สวยงามอย่างที่เราคิดกันเพื่อที่เราจะได้คลายความกำนัดยินดีคลายความอยากเสพกามอยากจะเสพความเสพกามกับร่างกายของผู้อนอันนี้คือการพิจารณาร่างกาย อีกลักษณะ น, นก็พิจารณาให้เห็นว่าร่างกายไม่มีตัวตนไม่เป็นตัวตนเป็นเป็นส่วนที่ประกอบขึ้นมาด้วยดินน้ำลมไฟพอเวลาร่่งกายตายไปร่างกายก็ละลายสลาสกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปไม่มีตัวตนเป็นเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งเพียงแต่ว่าที่สามารถพูดเคลื่อนไหวได้ก็เพราะมีจิตผู้รู้นี้ มาสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆมาให้พูดมอทำอะไรต่างๆนี้เป็นเรื่องของจิตมาสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆแต่จิตนี้ขาดปัญญาไม่รู้ว่าความจริงคอว่าร่างกายไม่มีตัวตนก็ไปเคลมว่าร่างกายนี้เป็นตัวตนใชเองแล้วก็ไปยึดติดกับร่างกายว่าเป็นของเราื่าเป็นของเราเราก็อยากจะให้มันดีอยากให้มันอยู่กับเราไปตลอด แต่ความเป็นจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นความเป็นจริงคือร่างกายเป็นของชั่วคราวไม่นั้นไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีการสิ้นสุดลงนี่คือที่มาของปัญญาที่มาของการเจริญปัญญาเพื่อสอนจิตที่หลงนี้ให้เห็นความเป็นจริงว่าไม่มีตัวตนในร่างกายร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราววันใดวันหนึ่งก็จะต้องมีกามเสื่อม สลายกับเืินสูงดินน้ำลมไฟร่างกายของทุกคนไม่สวยไม่งามมีอาการสาวชิตสองเวลาตายไปก็กลายเป็นซากศพที่ไม่มีใครอยากจะแตะไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้นี่คือการพิจารณาเพื่อให้เราปล่อยวางร่างกายถ้าพูดตามลำดับของพระอริยบุคคลก็คือละสังโยนห้าข้อแรกนี้เอง ด้วยการพิจารณาร่างกายกับเวทนาอีกอันหนึ่งเมื่อกี้ไม่ได้พูดถึงเวทนาก็คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นผ่านทางร่างกายแล้มีสุขเวทนามีทุกขเวทนามีไม่สุขไม่ทุก ข, ขเวทนาก็ให้พิจารณาเวทนาว่ามันก็เป็นของไม่เที่ยงแปรปรวนเปลี่ยนไปเป็นอนัตตาไม่มีใครเป็นคนกำกับเวทนานี้ ไม่มีใครมาสั่งวิธนาว่าให้เป็นสุขให้เป็นทุกข์มันมีเหตุมีปัจจัยที่มากระทบที่ทำให้มันเกิดเหมือนกับลมที่มาพัดเมฆอย่างนี้เป็นตน้นเมฆมันไม่ได้เคลื่อนไหวมันไม่มีใครให้มันเคลื่อนไหวสิ่งที่ทำให้มันเคลื่อนไหวก็คือลมและสิ่งที่ทำให้ลมเคลื่อนไหวก็ไม่มีใครมาทำให้ลมเคลื่อนไหวมันก็มีอุณภูมิเช่นความร้อนมาทาให้เกิดมีการพัดของลมขึ้นมา อันนี้ก็เหมือนกันเวทนาในร่างกายเรามันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามการแตะตัวของร่างกายร่างกายเวลาไปกระทบกับของอะไรก็อาจจะทําให้เกิดทุกขเวทนาได้เวลาไปสัมผัสกับอะไรที่มันทําให้ร่างกายก็ดีเกิดความสุ ข, ขเวทนาขึ้นมาก็ได้แลง้นมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยมันไม่มีตัวตนไม่มีใครมาสั่งให้ ทุกเวทนาเกิดขึ้นไม่มีใครมาสั่งให้สุขเวทนาเกิดขึ้นและไม่มีใครสามารถมาสั่งให้เวทนาทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นหายไปได้ถ้ามันเกิดขึ้นไม่มีใครไปสั่งให้สุขเวทนาอยู่ไปนานๆได้ถ้ามันจะถ้ามันจะหมดมันก็หมดก็ให้พิจารณาให้เห็นว่าเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเพื่อที่จะได้ไม่ไปยึดไปติดมันไม่ไปอยากให้มันเป็นสุขเวทนาเพียงอย่างเดียว ใดก็จะไม่ถูกกับเวทนาก็ปล่อยวางเวทนาได้ก็เหลือ อ, อ, อีกส่วนหนึ่งที่ต้องพิจารณาก็คือจิตจิตที่มีอารมณ์แปรปรวนนี่เองเหมือนเวทนาอารมณ์นี้ต่างจากเวทนาเวทนาคือความรู้สึกแต่อารมณ์นี้มีอารมณ์เศร้าหมองมีอารมณ์สดใสเบิกบานมีความฟุ้งซ่านมีความสงบ มีความกมังวลในความวิตกมีความหวาดกลัวมีอะไรต่างอันนี้เรียกว่าอารมณ์อยู่ในจิตที่เราจะต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันก็เป็นคำว่าอนิจจังไม่เทียมเกิดดับอนัตตาเป็นสิ่งที่เราควบคุมคบังคับไม่ได้เสมอไปให้เห็นว่าเมื่อเราควบคุมไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันอ ย, อย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างไรเพราะถ้อยากแล้วมันจะทุกข์ถ้าไม่อยากก็อยู่กับมันได้ไม่ทุกข์กับมัน น, นี่คือถ้าพิจนาร่างกายเวทนาจิตว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงอนัตตาไม่มีตัวตนไม่มีใครไปควบคุมบังคับไปสั่งมันได้ก็จะปล่อยวางเมื่อปล่อยวางกายเวทนาจิตทุกที่เกิดจากการไปยึดกายเวทนาจิตก็จะหายไปใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ด้วยปการะชนิดด้วยการใช้ปัญญาคือทํา ที่มีในสติประทานสี่ก็คือไตรลักอริยสัจสี่เป็นต้นครับผมผมพอจะเข้าใจด้วยสุตตะมายาปัญญาครับอาจารย์ครับคือจะต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติต้องเริ่มที่สติแล้วมันถึงจะเห็นความจริงตอนนี้ใจเราอยู่ข้างนอกเรามองออกมาที่ตาที่รูปเสียงกลิ่นรสกัน เลยไม่เห็นทำที่เกิดขึ้นเวลาที่คิดใจเราไปยึดไปติดเกิดความทุกข์ขึ้นมาเรามองไว้เห็นแ ต, แต่ถ้าเราเน้นจิตเข้าไปข้างในด้วยสติให้เป็นสมาธิจิตก็จะเริ่มเห็นการแปลแปลปวนต่างๆของของจิตของอารมณ์ที่มีในในตัวตัวเองพี่สันทับน์งั้นผมกลับจะถามเพิ่มนิดนึงนะครับ อย่างนี้แสดงว่ากายกับเวทนากับจิตเนี่ยเราไม่ได้รับรู้เขาเฉยๆใช่ไหมครับคือเราเอาทําคือตัวไตรลักษไปจับทุกทั้งกายทั้งเวทนาท<ช>ั้ง <ๆ S 2> จิตอยู่ใช่ไเรา <ๆ S 2> ต้องเห็นเขาว่าเ ป, เป็นเป็นอนิจจัง<ๆ>เขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา<ๆ>แล้วเราห้ามเขาไม่ได้เช่นร่างกายเรานี้ยเราห้ามไม่ให้แก่ไม่ได้มันก็ต้องมันก็ต้องเสริมไปเรื่อยๆตอนที่มันโตมันก็ห้ามมันไม่ให้มันโตไม่ได้มันโตเอาโตเอาโตเอ า, เอาครับ พอมันตเต็มที่แล้วทีนี้มันก็เริ่มทับถอยหลังลนะเริ่มเสื่อมลง indung, เสื่อมลงไปนี่เป็น้นอนัตตาอันอนีจังอันิีจังเปลี่ยนแปลงอนัตตาห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้เหมือนกัรทั้งกายเวทนาจิตเป็นสิ่งที่เราห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้แต่เราอยู่กับมันได้โดยไม่ทุกข์กับมันได้ถ้าเรายอมรับความเป็นจริงของมันปัญหาของเราคือเราไม่ยอมรับความเป็นจริงของกายเวทนาจิต เวลาทุกขเวทนาก็อยากให้ใ ห, หายวิ่งกันไปนเหมือนเหมือนกับมดถูกน้ำร้อนแต่ถ้ามีธรรมก็อยู่กับมันไปทำใจให้เป็นอุนเบกขาไปใจก็ไม่ทุกขกับทุกขเวทนาได้ครับขอบนะพระคุณครับอาจารย์จะนำไปปฏิบัติต่อไปครับต้องจเจริญสติก่อนเอาทาเป็นขั้นเป็นตอนนะ อย่าไปที่รีบอย่าไปรีบน้อยไปที่ปัญญาเลยเพราะไปตอนนี้มันไปก็ไปแบบไม่มีกําลังไปแบบสุตตามัญญาสุตตมย ญ, ญปัญญากับจิตจินตามัญญปัญญานี้ไม่มีกําลังเพราะขาดอุเบกขาขาดภาวนาถ้าภาวนาให้เกิดอุเบกขาแล้วปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังหรือได้คิดนี่จะกลายเป็นภาวนาไมยะปัญญาขึ้นมาแล้วตอนนั้นนะสามารถที่จะปล่อยวางกายเวทนาจิตทําได้ เขาไม่ไม่ใ้ทําปล่อยวางกายเวทนาจิตด้วยธรรมได้ครับขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับอาจารย์ครับผมจะขอถามจ<ม>ำทถามจากเพื่อนเพื่อนะครับคุณถิติมาครับการกราบสติปัฏฐานรูปแบบกราบช้าๆถูกต้องไหมคะไม่ทราบกราบไปทําไมนักดีประฐานนี้ว่ให้ปฏิบัติไม่ต้องไปกราบปฏิบัติกูชากราบด้วยการปฏิบัติกูชาลำตน้นที่ในการเจรญสติ ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาคอยควบคุมจิตไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆให้อยู่ในปัจจุบันนี่คือวิธีการที่ถูกต้ององค์ตเจ้าบอกว่าการบูชาที่แท้จริงคือการบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาจากคุณสุพัตตาครับฟังธรรมาหลายที่บอกว่าการนั่งสมาธิเป็นการทำให้อาการเจ็บปวดหายลงช่วงนั่งใหม่จะปวดมากๆไม่เจอเวทนาแต่ไม่เคยปฏิบัติจนดุดับรอบค่ะ ช่วงนั้นใหม่ๆจะปวดมา ก, มากปวด น, นี่ก็คือเวทนาแล้วยว่าไม่เจอเวทนาได้อย่างไรเวทนาก็คือความเจ็บปวดเนี่ยภาษาไทยเรา ม, มันมีความหมายอะไรอย่างเวทนานี่อาจจะหมายถึงสมเพศเวทนาหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจผิดเนี่ยฟังไม่ก็จะไม่เข้าใจธรรมะค ว, มว่าเวทนานี้ไม่ได้หมายความว่าความสมเพศเวทนาที่เรามักจะพูดเห็นคายนาาสมเพศเวทนา อันนี้หมายถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของเราสุขบ้างทุกบ้างไม่สุขไม่ทุกบ้า ง, างนี่เรียกว่าเวทนาคำถามป้าหงทองครับขอกราบนํัเการพระอาจารย์สุชาติค่ะขอรบกวนถามพระอาจารย์หน่อยคะ่ะว่าสมัยนี้ทําไมคนถึงใจร้ายมากมีข่าวฆ่ากันตายทุกวันเลยคะ อ, อ๋อมันมีทุกยุคทุกสมัยนะ่ะมันเรื่องของคนนี่มันมี มันมีแบบนี้มาตลอดเวลามีทั้งคนดีมีทั้งคนไม่ดีแต่โดยรวมแล้วคนไม่ดีจะมากกว่าคนดีท่านเปรียบเทียบว่าคนดีนี่เหมือนเขาวัวคนไม่ดีเหมือนขนวัววัวตัวหนึ่งมีขนเยอะมีเขาแค่สองเขาคนมีคนดีแค่สองคนดังนั้นอย่าไปกังวลเรื่องของคนอื่นดูตัวเราว่าเราดีหรือไม่ดีดีกว่า เราไม่ดีเราก็เรีบปรับปรุแก้ไขได้เพราะเรามีคำสอนของพุทธเจ้ามาสอนให้เราเป็นคนดีอย่าเป็นคนไม่ดีพอทำบาปเราจะรับโทษทางจิตใจถึงแม้อาจจะไม่ได้รับโทษทางอ่างกายหรือไม่อาจจะไม่ถูกติดคุกติดตารางหรือถูกใครก็ททำร้ายอย่าใจนี้มันจะร้อนเวลาทำบาปคุณแปแปดเทปช็อปครับ ถ้าเรามีจริตราคากับโภสะพอๆกันเราควรปฏิบัติกรรมฐานอะไรก่อนครับก่อนพิจารณาอสุภะหรือเพ่งกระสินสีขาวขอบคุณครับก็เบื้องต้นยังต้องฝึกสติก่อนนะให้มีสติอยู่กับร่างกายตลอดเวลาตั้งแต่นืมตตขึ้นมานึงใช้ประคำบริกรรมพุทธานุสติก็ได้ให้มีสติก่อนอันนั้นที่เราพูดถึงนี่มันระดับปัญญาซึ่งยังไกลามาก เหอนเราเพิ่งเริ่มปฏิบัตินี้เหมือนเพิ่งเข้าโรงเรียนอยู่ชั้นปฐมชั้นอนุบาลเราต้องค่อยไต่เต้าขึ้นไปจนกว่าจะถึงขั้นอุดมศึกษานั่นเราถึงจะมาพิจารณาทบทิจารณากรรมฐานคือพิจารณาสุภาษิตเลยครัคุณคิวลี่ครับกาพระบาทขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์ว่ามนุษย์ที่ตายแล้วกายแยกออกจากจิต จิตวิ ญ, ญญาณทุกคนไปอยู่อีกมิติและต้องไปอยู่ที่ใดต้องไปพบใครเพื่อจะบอกเราว่าต้องใช้กรรมนี้หรือต้องได้ไปสวรรค์คะหนูสงสัยมานานกับขอความใม้ตาพระอาจารย์ครับคือความจริงเจ็ดชงของเราตอนนี้ก็อยู่อีกมิติหนึ่งแล้วอยู่ในโลกทิพเนี่ยเพียงแต่ว่าจิตเรานี่มีความสามารถที่จะส่งกระแสมาเกาะที่ร่างกายของเราได้เกาะที่ตาหูจมูกนิ้วกายเพื่อที่จะได้รับ รูปเสียงกลินรสที่ตาหูจมูกเล่นกายได้ไปสัมผัสนี้ส่งไปให้ที่จิตอีกอีกมิอีกรอบนึ่งในโลกทิพจิ่นที่ไม่ได้อยู่ในโลกของร่างกายโลกของร่างกายเรียกว่าโลกกัลธาส่วนจิ่นที่อยู่ในโลกทิพย์มีการเชื่อมต่อกันถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับนักบินอวกาศที่ไปอยู่ดวงจันทร์กับขอก็คุมยานอวกาศที่อยู่นบนโลกนี้ เขาสื่อสารติดต่อกันได้ด้วยสัญญาณวิทยุสามารถสั่งให้นัผู้ที่อยู่ในยานวากาศนันทำอะไรต่างๆได้ขณะจิตก็เหมือนกันจิตเป็นเหมือนผู้ควบคุมสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆให้กับจิตจอยู่คนละโลกกันอยู่คนละที่กันเวลาร่างกายตายจิตก็ไม่สามารถที่จะส่งสัญญาณมาเกาะติดกับร่างกายไ ด, ได้ต่อไปทั้งนี้ จิตก็จะอยู่ในสภาพที่ปราศ จ, จากร่างกายแล้วก็รับวิบาก ค, คือผลของบุญของบาปที่ทาไว้แาจจะไม่มีใครมาบอกเราว่าเราทำบาปแล้วทำบุญมากมน้อยห่าเพียงไรอันนี้มันอาจจะมีปรากฏขึ้นเป็นภาพฝันก็ได้เช่นเหมือนกับตอนที่เรานอนหลับเวลานอนหลับเรามักจะฝันถึงเรื่องดีบ้างไม่ดีบ้างอันนี้ก็เป็นเหมือนกับ ตอนที่เราตายแต่ตอนที่เรานอนหลับนี่ฝันชั่วคราวฝันประมาณสัก8ชั่วโมงหรือไม่ถึงแล้วก็ตื่นขึ้นมาตอนนี้ฝันนั้นตอนนั้นจิตอยู่ในโลกที่ตามลำพังไม่ได้เกี่ยวโยงกับร่างกายเพราะร่างกายพักผ่อนแต่พอร่างกายตื่นขึ้นมาจิตก็กลับมาเกาะติดที่ร่างกายต่อกลัมารับรู้สิงกินลสต่อก็เลยความฝันนั้นก็จะหายไป แต่ถ้าเวลาที่ไม่มีร่างกายเวลาร่างกายตากไปแล้วจิตก็จะฝันไปยาวจนกว่าจะได้มาเกิดใหม่แล้วฝันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับบุญหรือบาป ท, ที่ได้ทำเอาไว้ถ้าเป็นบุญได้ท ำ, กกบบททำทไว้มากกว่าบาปก็จะฝันดี้ารทำบาปไว้มากกว่าบุญก็จะฝันร้ายจนกว่าจะบุญกับบาปนี้มีกำลังเท่ากันไม่สามารถที่จะตัดสินความฝันชนิดใดชนิดหนึ่งได้ก็เป็นเวลาที่ร่างกาย จะไปเกิดใหม่ไปรับร่างกายอันใหม่จากคุณธีระครับกาตธรรมสการฐานหลวงพ่อครับ ห, หัวหน้าให้ทํางานในวิธีที่ผิดเคยทักท้วงไปแล้วกลับถูกต่อว่าจากนั้นผมก็วางเฉยหัวหน้าให้ทําแบบไหนก็จะปล่อยและทําให้แบบนี้ถูกต้องไหมครับแล้วผมจะบาปใหม่ดัทงที่รู้ว่ามันผิดครับเคยเราก็มีมีทางเลือกอยู่ <c oughs> ถ้าเรารู้ว่าผิดมันก็ถ้าเรารู้ว่ามันบาปแล้วเราทาเราก็จะต้องรับผลบาปอย่างที่เราทำเพราะว่าเราเราต้องทำงานเราต้องมีรายได้แต่ถ้าเราอยากจะเลือกอีกทางหนึ่งเราก็ต้องลาออกจากางานไปไปทางานใหม่ที่ไม่ต้องไปทำบาปจะไปขายไ๋วยเตี๋ยวไม่ต้องให้ใครมาเป็นเจ้าไดสั่งเราให้เราทำอะไร่องขายของขายตรขายประกันเรือขายอะไรก็ได้ที่เป็นงานสุจริต ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทํำบาปอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเลือกถ้าเราถ้าเรารู้ว่าบาปไม่ผลทำหน้ามันจะมีผลกับเรามันจะทําให้เราทุกข์ทำให้เราไปเกิดแนบบัยถ้าเราไม่ต้องการที่จะมีทุกข์ไปเกิดแนบบัยเราก็ไม่ อ, อยากทาบาปถ้าไม่สามารถอยู่กับบริษัทอยู่กับงานเจ้นานายที่เราทําได้ก็ต้องลาออกหรือเขาก็จะไ ล, ล่เราถ้าเราไม่ทําตาม คำถามจากคุณพีชครับการเลี้ยนถามค่ะลูกที่ประพฤติไม่ดีต่อพ่อแม่จะต้องชดใช้กรรมอย่างไรถ้าเขาไม่มีลูกครับเขาไม่ดีเขาก็รับผลจากการกระทําไม่ดีของเขานาะจิตใจของเขาก็จะวุ่นวายอยู่กับเรื่องไม่ดีต่างๆยังไม่ต้องไม่ต้องว่าต้องมีลูกถึงจะมารับใช้กรรมการกระทําไม่ดีนี่ไม่ว่าจะทําต่อใครนี่มันมีผลไม่ดีกับตัวเองทันทีแล้ว คำถามจะกคุณเป ต, ตองครับขออนุญาตถามพระอาจารย์นะครับชาวพุทธไหว้บรรพบุรุษได้ไหมครับได้พระพุทธเจ้าประสอนไห้ไหว้แต่ไม่ได้ไหวแบบจุดทูบเทียนนะให้ไหว้ด้วยการปฏิบัติบูบชายิ่งดูพ่อแม่ถ้าท่านมีชีวิตอยู่ให้ความเคารพต่อพ่อแม่เชื่อฟังพ่อแม่อะไรทำนองนี้ให้เกียรติพ่อแม่เทิดทูนพ่อแม่ให้อยู่เหนือเสียงก้าวของเรา นี่คือวิธีไหว้ของชาวพุทธต่อบิดามารดาที่พระเจ้าทรงสอนในมงคลระสมุมาตาปิตูอุปทานาังเอตัมมังกาลุมตมะการอุปธรรม อ, อุปธรรมปทาบิดามารดาเป็นมงคลอย่างยิ่งนี่คือการไหว้ของชาวพุทธต่อวันพระบุญวันพระบรมรุฑถ้าท่านร่วมน้ำไปแล้วเราก็ไหว้ด้วยการทําบุญอุทิศส่วนบุญไปให้กท่านไป คุณทิพวันครับหนูขอากาบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่าหนูเคยโกหกพระมาค่ะทั้งเจตนาและไม่เจตนาเราจะได้รับผลกรรมอย่างไรเจ้าคะก็ได้รับผลจากการกระทําโกหกนั่นเองแล้ว จ, จะต่อไปอาจจะถูกคนเอามาโกหกเราบ้างเช่นแฟนเราอาจจะโกหกเราว่าอ๋อไม่ได้ไม่ไปทําไม่ไปทํางานไปทุระแต่อาจจะไปอยู่กับใครก็ไม่รู้แล้วก็อาจจะถูกใครโกหกเรากนะ็ได้ คำถามจากคุณธรรมดาครับการเป็นถามพระอาจารย์ค่ะสมาธิขั้นไหนคะถึงจะรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเช่นผมนุ่มละเอียดผิวพรรณผ่องใสค่ะขอบพระคุณค่ะรั อ, อไม่ต้องใช้สมาธิหรอกตอนนี้ก็รู้ได้คุณจับผมคุณก็จะรู้ว่ามันนุ่มและไม่นุ่มอันนี้ไม่เกี่ยวกันต้องต้องมีสมาธิแต่อย่างไดสามารถถ้ามีตามีมือก็จับได้สัมผัสได้รู้ได้ทันที จากคุณมินครับการภาวนาพุโทโธเป็นการปฏิบัติสติในสติปัฏฐานสี่อันนี้เข้าใจถูกไหมครับถูกตามก็เป็นวิธีหนึ่งคือแทนที่จะใช้กายยากตาสติคือร่างกายเป็นที่ตั้งของสติก็ใช้พุโทโธแทนเป็นพุทธานุัตติคำถามจากคุณทรงธรรมครับพระที่ทนความเจ็บได้แล้วแปลว่าท่านบรรลุธรรมแล้วใช่ไหมครับก็บรรลุในระดับหนึ่งแต่ยังบ ก็แล้วแต่ว่าท่านมันท่านทนได้แบบไหนบางที่ทนด้วยปัญญาหรือทนด้วยสติถ้าทนด้วยสตินี่ยังไม่ถือว่าบรรุษรรถ้าทนถ้าทนได้ด้วยปัญญาพิจารณาปล่อยวางเวทนาความเจ็บได้ก็ถือว่าบรรลุส่วนหนึ่งของการเป็นพระโสดาบันแต่ยังไม่หมดต้องมันต้องต้องทนกับความตายให้ได้ด้วยรับบความตายให้ได้ด้วยถึงจะบรรลุเป็นพระโสดาบันได คุณนพสิทธ์ครับการเบียนถามพระอาจารย์ครับผมภาวนามาหลายปีฟังพระอาจารย์สอนทุกอย่างแต่ยังไม่สามารถตัดเวทนาได้ครับเจ็บขาปวดถามาพยายามอดทนตัดทุกขเวทนาจนเลือดขึ้นตาทําอย่างไรก็ไม่หายจะแก้อย่างไรดีครับก็ไม่ใช้สติ น, นั่นเองขยนันย้ายสติหน่อยสิเวลานั่งรับปวดเนี่ยทําพุโทโธพุโทโธไปเลยอย่าไปสนใจกับอ า, าการเจ็บปวดของร่างกายท่อไปยิ่กว่าจิตจะนิ่งจะสงบนละ เราไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกายทําได้แต่เราไม่ทำหรือเราไม่เราไม่เชื่อว่าการท่องพุโทโธคําเดียวนี้มีความมีอนุภาพขนาดไหนเวลาเจ็บเราลองลองทำดูลองท่องพุพโทโธไปอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงความเจ็บอย่าไปขยับอย่าไปอยากให้ความเจ็บหายไปให้เท่งอยู่กับพุโทโธฝากเป็นฝากตายไว้กับพุโทโธเดี๋ยวจิตสงบเงีแล้วมันก็จะไม่เดือดร้อนกับความ คามเจ็บปวดของร่างกายยันถ้านั่งเฉยๆทนไม่ได้แล้วเดี๋ยวก็ทนไม่ไหวแล้วที่ทนไม่ได้เพราใจมันอยากจะให้ความทุกข์ความเจ็บหายไปมากกว่าแต่ถ้าเราสามารถหยุดความอยากให้ความเจ็บหายไปได้ด้วยการท่องพุโทโธพุโทโธนี่พอใจหยุดอยากปั๊บนี่ความเจ็บแค่ขนาดไหนก็ไม่เดือดร้อนอยู่กับมันได้ คุณเปตองครับขออนุญาตถามครับพระอาจารย์เวลาไหว้บรรทบรุษสามารถเอาเนื้อสัตว์มาเส้นไหว้ได้ไหมครับตามพุทธศาสนาเราไม่ให้ไหว้ด้วยด้วยวัตถุ ต, าต่างๆให้ไหว้ด้วยการกระทําเช่นถ้าอยากจะบังจะไหว้บรรทบุรุษที่ตายแล้วก็ทําบุญใช่บาปหรือถวายสังฆทานหรือบริจาคเงินให้โรงพยาบาลก็ได้ทําทานทําบุญแล้วก็ บุญที่เราได้นี้ให้กับผู้ที่รองรับไปแล้วในว่านี่คือวิธีว่า้ของชาวพุ่งแล้วคุณแตนครับกากรรรมการพระอาจารย์ค่ะนั่งทําอนาปานัสติช่วงแรกๆมีรู้สึกตัวโยกโครงผ่านมาสักพักอาการนี้ก็หายไปแต่ช่วงหลังๆรู้สึกว่าลมหายใจเบาลงรู้สึกตัวเบาแบบนี้เป็นอาการของจิตรวมเป็นสมาธิไหมเจ้าคะก็เริ่มเข้าใกล้แนละ้วถ้ายังรู้ยังไม่รวมนะ ถ้าลมแล้วจิตจะนิ่งสงบเบาสบายแล้วก็ลมก็จะหายไปร่างกายบางทีก็หายไปจากการรับรู้ของจิตด้วย <c oughs> คุณพิสณุครับกาบรักการครับคำว่ากายในกายคืออย่างไรครับคือมันการเป็นการแปลคํามาจากบาลีซึ่งบาลีก็อาจจะมีความหมายว่าให้พิจารณากายนะอย่าไปพิจารณาอย่างเหนื่อยนีเราพอทำแกะเราแปลตรงตัวเราเพิ่งเลยมอง เหมือนคนไทยเราเวลาพูดกับฝรังว่า I speak English snake snake fish fish นี่ังฟังแล้วก็งงว่า snake snake fish fish แปลว่าอะไรแต่่อเร า, าแปลเป็นไทยอ๋องงูงูปลาปลาเราก็เข้าใจทีนี้เราไม่เข้าใจคำบาลีว่ากายในกายเราก็เลยแปลสองตัวแต่จากการปฏิบัตินี่นก็หมายถึงว่าให้เราพิจารณากายนั่นเองให้เราอยู่พิจารณาอยู่ในเรื่องเดียวคือเรื่องของกายอย่าไปพิจารณาเรื่อง ควมหมายของกาในกายเช่นเดิมกับจิตในจิตเวทนาในเวทนาทำในธรรมนี้ก็ให้พิจารณาเรื่องนั้นเรื่องเดียวคุณเจครับผมนั่งสมาธิทุกครั้งหรือใช้ชีวิตประจําวันผมกำหนดรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่มากระทบกับใจหรือสิ่งที่ใจคิดขึ้นมาเองจนบางครั้งอารมณ์มันตัดไปเองรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของใจแบบนี้ถูกทางไหมครับ แต่รู้สึกสมาธิไม่พอสงสัยว่าทุกครั้งที่นั่งกายหายลมหายใจแผ่วลงแล้วผมไม่เคยเห็นภาพในสมาธิไว้พิจารณากายได้เลยถึงเห็นก็แวบแค่เหมือนฟ้าผ่าผมสามารถบรรลุพระโสดาบันได้โดยไม่เคยเห็นภาพในสมาธิได้หรือเปล่าครับผมได้เพราะเราเห็นด้วยตาเปล่าตลอดเวลาตอนที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิเราไม่ได้เข้าไปสมาธิเพื่อไปหาภาพเหล่านี้มาพิจารณาเ้วเข้าไปในสมาธิเพื่ออาอุเบกขาหาความสงบหาพลังของจิต ที่จะสู่กับความอยากึูงกับกิเลสทั น, นหาทนหาส่วนภาพที่เราเห็นด้วยตาป่าของเราอยู่แล้วเช่นร่างกายของเรานี่เราเห็นตลอดเวลาแ ต, แต่เราไม่เห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหล่นี้นั่นคือสิ่งที่เราต้องสอนใจใหม่สอนให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายนะไม่สวยไม่งามนะมีอาการสสิบสองเป็นดินน้ำลไฟไม่มีตั ว, ไ ม, มตวไม่มีตนนะนี่คือการเห็น เราไม่ไม่ต้องเข้าไปหาภาพเหล่านี้ในสมาธิเพราะมันไม่มีการนังสมาธิก็เพื่อเข้าสู่ความว่าถ้าเห็นภาพก็ถือว่าไม่ใช่เป็นสมาธิการสมาธิที่ถูกต้องจะเป็นสมาธิที่ว่างปราศ จ, จากสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพเป็นเสียงหรือเป็นอะไรก็าตามเพราะฉะนั้นนั่งสมาธิเพื่อให้ใจว่างใจสงบใจเป็นนุเบกขาถ้า ต, ต้องการปัญญานี้ไม่ต้อง ไม่ต้องเข้าไปหาภาพในสมาธิไปเห็นได้ทุกเวลาเนะี่ยลตาขึ้นมาก็เห็นนะตอนนี้คุณก็เห็นภาพของเราสองคนหมอกับเราก็าพิจารณาไปสิว่าทั้งหมอทั้งพระนี่เดี๋ยวก็กลายเป็นซากศพนะไม่แม่วันใดวันหนึ่งก็ต้องการเป็นซากศพไปแล้วก็จะแก่ลงไปเรื่อยผมมันจะหงอกผมมันจะร่วงอันนี้มันมัน มันสามารถใช้การพิจารณาด้านโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิเพียงแต่ว่าพิจารณาแล้วปล่อยวางได้ไหอไม่ต่างหากที่เป็นปนัญหาเป็นประเด็นถ้าปล่อยวางไม่ได้ก็เพราะไม่มีอุเบกขาไม่มีสมาธิถ้ามีอุเบกขามีสมาธิในพอพิจารณาว่าร่างกายต้องเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยคือปล่อยให้มันเป็นไปไม่ไปขัดขืนมันไม่ไปอยากให้มันเป็นอย่าง คุณมครับกล่าวในพิธกา ร, การพระอาจารย์ครับเมื่อเรารู้สึกว่าลมหายใจหายไปแล้วตอนนั้นเราจะกําหนดจิตที่อะไรคะที่เดิมก็ที่ตะปลายสงบนั่นแหละให้รู้อยู่ตรงนั้นจดเดียวแล้วอยู่ที่ความไม่มีลมก็อยู่ที่ความว่างไปแหละก็ได้ดูความว่างไปแล้วเดี๋ยวจิตมันก็จะรวมเข้าสู่ความสงบให้ให้เราอีกทีหนึน่ให้รู้เฉยๆอย่าไปขยับอย่าไปคิดอย่าไปทําอะไรทั้งสิ้นเหมือนกับตอนที่ยัง ม, มีลม ตอนที่มีลมเราก็ดูลงตอนที่ไม่มีลมเราก็ดูดูที่เดิมดูการไม่มีลงไปเท่านี้ดูเฉยๆต่อไปเมือเวลาเราดูภาพบนจอนี้เราพอภาพ ม, มันหายไปเราก็ดูจอต่อไปใช่ไหมไม่ต้องขยับขยันย้ายไปที่อย่างนี้ถ้าเราดูอยู่ที่เดิมไม่ไปขยับไม่ไปทําอะไรเดี๋ยวะจิตก็จะรวบเข้าสู่ความได้คุณพานุวงศ์ครับนักสักการพระอาจารย์ครับ ผมลองฝึกนั่งสมาธิระยะหนึงแล้วปรากฏว่าเมื่อนั่งไปสักพักใหญ่ๆมีอาการปวดหลังปวดตั ว, ต, วตัวร้อนมากจนเหงื่อออกเหมือนตัวจะระเบิดจนภาวนาต่อไม่ไหวแบบนี้ควรวางอุเบกขาเพื่อไปต่อหรือพักก่อนครับถ้าไปได้ก็ควรจะไปแต่ต้องมีการภาวนาต่อคือการบริกรรมพุโทโธพุโทโธต่อพยายามบริกรรมพุโทโธพุทโธไปอย่าไปสนใจกับอาการเจ็บปวดต่างๆถ้าเราทําต่อไปหน้านิ้อจิต ก, ก็จะสงบแล้วอาการเจ็บปวดของ ร่างกายก็จะก็จะไม่มาเล้ากวนใจข้อใจจะมีอุเบกขาคุณสุพินบอกขอพระอาจารย์ไม่ตาขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์นะเจ้าค่ะการเขมานี้ก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์โดยอัตนมัติแล้วจะฝากไม่ฝากก็ตามจะไม่ถือก็ได้แล้วแต่ผู้ถือผู้ถือจะถือก็ก็เป็นผู้ไม่ท่านถือไม่เป็นลูกศิษย์ก็ไม่เป็นผู้รับนี่ไม่ไม่ปฏิเสธใครจะถือว่าเป็นลูกศิษย์ก็ได้ใครจะไม่ถือก็ได้ แต่ลูกศิษย์ที่แท้จริงนี่ต้องทําตามคําสอนอยังยรนยันถือว่าเป็นลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์แล้วไม่ทําตามคําสอนก็เป็นเป็นแต่ชื่อไม่ได้เป็นที่ตัวต้องเป็นที่ตัวคุณจ็กเกอร์ครับกับเตียนถาพระอาจารย์ครับเวลานั่งสมาธิถ้าไม่เอามือวางซ้อนกันที่ตักเอามือวางที่หัวเข่าทั้งสองได้ไหมครับได้มะวางที่ไหนก็ได้แล้วแต่จะถนัดแล้วจะสบาย คุณภูเบศครับนักาการครับผมเพิ่งเริ่มนั่งสมาธิก่อนนอนครึ่งชั่วโมงทุกวันรู้สึกว่าฝันบ่อยครับฝันไม่ดีเลยเกิดจากอะไรครับฝันมก็เกิดจากการที่จิตเราไม่ค่อยสง บ, บจิตเราคิดมากมันก็จะฝันฝันไม่ดีก็เกิดจากการรือบาบที่เรากระทำไว้ถึงทําให้เราฝันไม่ดีดังนั้นตอนนี้เรีบทำบุญทำกรรมดีไว้เยอะๆเพื่อมากรบความไม่ดีแล้วต่อไปเราก็จะฝันดีแทนทีน่จะฝันไม่ดี คุณพ่อมาครับนัระวัติารพระอาจารย์ครับสอบถามครับการจัดงานศพให้พระมาสวดจะมีผลให้คนตายได้อันิี้ส่งอะไรหรือไม่ครับได้บุญไหมครับแล้วก็การไม่จัดงานศพไม่มีพระมาสวดจะต่างกันหรือไม่ครับความจริงคนตายไม่ได้อะไรจากการสวดของพระเลยถ้าจะได้ก็คือตรงที่ญาติโยมที่นิมนต์พระมาถวายของทาบุญทําทานกับพระ เราก็เอาบุญที่ได้จากการทําบุญทําทานให้อุทิศให้กับผู้นองรับไปแล้วเท่านั้นเองก็จะได้แบบนั้นแต่ถ้าไม่มีถ้านิ ม, มนต์พระมาสวดแล้วไม่มีการทําบุญก็ก็จะไม่ได้อะไรหรือถ้ามีการทําบุญโดยถ้าไม่ไม่ทำนิ ม, มนต์พระมาสวดก็ได้นิ ม, มนต์ใส่บาตรหรืออะไรี้ก็สามารถที่จะอุทิศบุญให้กับผู้ที่รองรับไปแล้วไนดะ้ไม่ต้องจัดงานก็ได้ตายก็เผาเลย แล้วต้องการถ้าจะต้องการให้ให้คนตายได้ไปประโยชน์ก็คือทําบุญแล้วก็อุทิศบุญนี้ให้กับผู้ตายไปจะมีผ้ามาสวดไม่มาสวนี่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นประเด็นสําคัญแต่สมัยนี้มันเป็นธรรมเนียมไปแล้วก็เลยต้องทํากำตามธรรมเนียมคุณที่พวันครับกลับเรียนถามหนูมีอินทรีย์อ่อนอยู่คะ่ะควรปฏิบัติอย่างไรหรือควรรู้ลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวใช่ไหมคะ ก็นี่สติก็เป็น n ออย่างหนึ่งที่เราอ่อนพยายามมันฝึกสติเรื่อยๆเดิาตามขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธหรือผูกใจไว้กับร่างกายอย่าปล่อยให้ใจไปคิดท่องราต่างๆแล้วเราจะมีสติมากเพิ่มมากขึ้นแล้วต่อไปที่าจะมีอ็นีที่แกกตตาเอ็นี NC มีทั้งห้าห้าข้อด้วยกันข้อหนึ่งคือศรัทธาข้อสองคือความะยันมันเพียรเรียกวิริยะข้อสก็คือสติ ข้อสี่ก็คือสมาธิข้อห้าก็คือปัญญาถ้าเราสามารถที่จะพัฒนาทำเหล่านี้ให้เกิดขึ้นมาได้เราก็จะมีอินทรีย์ที่แ ก, กล่ละที่สามารถที่จะเอาไปใช้ทำลายกิเลสตัณหาต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้คุณกีรนันครับอยากถามพระอาจารย์ว่าเมื่อนั่งสมาธิแล้วมีอาการน้ำลายไหลยเยอะต้องกินบ่อยๆอาการนี้คืออะไรแล้วควรทาอย่างไรต่อเจ้าคะ่ะ อาการไม่มีสติไงไม่มีสติจดจออยู่กับพุโทโธนึกจดจออยู่กับลมมัวแต่มาคอยดูเรื่องของน้ําลายมันก็ได้พอยิ่งดูมันยิ่งไหลใหญ่เลยแต่ถ้าเราไม่ไปสนใจมันมันไม่ไหลหรอกถ้าเรามีสติดูลงไปดูพุโทโธไปอเรื่องของน้ําลายก็จะไม่เข้ามาลบควนใจหรอกคุณชีวิตนี้น้อยนะครับกลับยนถามพระอาจารย์เราจะแก้จิตปฏิฆะอย่างไรครับ เพตอนนี้แก้ไม่ได้อยากได้อุบายช่วยแก้พยายามปล่อยวางแล้วแต่เหมือนจิตติดเป็นสัญญาปฏิฆาเกิดจากความอยากอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสเสพการนี่ก็เลยเกิปดปฏิฆาอยากจะดูน้ำฟังเพลงอยากจะไปเที่ยวข้างนอกตอนนี้เขาไม่ให้เที่ยวอยากจะไม่จัดงานเลี้ยงฉลองดิ่มชรกากันเขาไม่ให้มีก็เกิดอารมณ์หงุดหงิดขึ้นมาปฏิฆาก็คือความหงุดหงิดของใจนี่ วิธีแก้ก็คือหยุดความอยากเหล่านี้ให้ได้มานั่งสมาธิทําใจให้สงบอาการปฏิกิาต่างๆก็จะหายไปคุณนพสิทธ์ครับขับกาศเรียนวัสการพระอาจารย์ครับนั่งภาวนามาหลายปีกต่ตัดเวทนาไม่คืยได้เลยครับจนปัญญาพระอาจารย์ช่วยลูกให้หลุดพ้นจากเวทนาด้วยเถินครับก็ไม่รู้จักวิธีตัดเนี่ยพอเจอเวทนาก็ไปอยากให้มันหายพออยากให้มันหายมันก็เลยยิ่งเกิด ความรู้สึกทุกขึ้นมามากขึ้นอีนช้นหนึ่งในใจวิธีที่จะตัดเวทนาได้ก็ต้องใช้พุทโธเวลาเจอความเจ็บเจอเวทนาก็ให้ท่อพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าหยุไม่นานับอกห้านาทีสิบนาทีนี้ก็หายแล้วเวทนาก็อยู่แต่ใจสงบใจไม่เดือดร้อนกับเวทนาหรือบางทีเวทนาก็หายไปด้วยกันเองแล้วแต่กรณีไม่แน่อนอนแต่สิ่งที่แน่นอนก็คือใจจะสงบ ดยการบริกรรมผู้โชบพอใจสงบแล้วใจก็จะไม่เดือดร้อนกับเวทนาอยู่กับเวทนาได้คุณพิรศินครับการเรียนถามพระอาจารย์ครับถ้าเราจําเป็นต้องฆ่าสัตว์มีพิษเนื่องจากเขามาเบียดเบียนเราก่อนจะบาปไหมครับแล้วเราควรแก้ไขอย่างไรครับบาปการการฆ่าในบาปทั้งนั้นนะ่ะวิธีแก้ก็คืออย่าไปอย่าไปอยู่ใกล้สัตว์ที่มีพิษสิถ้าเขาถ้าถูกเขากัดก็ ก็พยายามใช้วิธีรักษาพยายามหลีกเลี่ยงอย่าไปเจอกันถ้าเจอก็อย่าเข้าไปใกล้นื้อเ้หาเข้าเข้ามาจะทําลายเราทำลายเราถ้าเราไล่เขาไปได้เขียดเขาทิ้งไปได้ก็เขียดได้ไม่ต้องไปในกรอบฆ่าเขาของเราคุณธีระครับเรียนถามพระอาจารย์ครับหากเราสั่งกุ้งเผาจากร้านที่เผากุ้งที่ยังมีชีวิตอยู่สดๆเราจะผิดศีลข้อฆ่าสัตว์หรือเปล่าครับคือผิดเพราะว่า ค่าเองก็ดีหรือสังง่งให้เขาฆ่าให้เราก็ดีถือว่าเป็นบาปเหมื น, นันนอกจากเราสัง่งเขาในวงเล็บว่ากุ้งตายมีไหมกุ้งที่ตายแล้วมีไหมถ้ากุ้งที่ตายมีแล้วก็เอาที่กุ้งที่ตายกุ้งเป็นแม่เรานะอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็จะไม่บาปคุณอรุณครับการเจริญสติปัฏฐาน 4, สาี่สำหรับผู้ฝึกใหม่ควรทำอะไรช้าๆเพื่อจะได้ภาวนากำหนดกายเวทนาจิตทำได้ทนันใช่หรือไม่เจ้าคะ เราบางตน้องใช้สติก่อนเนี่ยฝึกสติให้ได้สมาธิให้ใจมีอุเบกขาเราจึงสามารถที่จะไปดูกายเวทนาจิตทั้มเพื่อปล่อยวางให้เห็นว่าการไปยึดไปดติดกายเวทนาจิตนี้เป็นทุกข์คุณโต้งครับกาบเรียนนรัส ก, การพระอาจารย์ครับระหว่างวันผมบริกรรมพุทธังสระนางังคาฉามิธรรมังสระนางังคาฉามิสังฆังสระนางังคาฉามิได้ไหมครับกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ ไ ด, ได้จะสวนอทิปิโไปก็ได้ถ้าเราชอบบทยาวๆก็สวนอทิปิโไปถ้าเราชอบสั้นๆกบพุโทโธธรทรมโมสังโ์อย่างเดียวก็ได้แล้วแต่ขอให้เรามีอะไรคอยทำไม่ให้ใจไปคิดเรื่องราต่างๆก็ใช้ได้คุณพัชริพรครับเวลาปฏิบัติจิตรวมมีสองสภาวะคือแรกๆเหมือนการตกจากที่สูงหลังเหมือนเป็นการพุ่งขึ้นข้างบนเหาะเหินเหมือน นกที่บินฉบไปมาอยากทราบว่ายังถูกทางไหมเจ้าคะ่ะชอบทําอาณาปานสติคือถ้ามันสงบก็ถูกทางอาการที่ก่อนจะทําให้มันสงบนี่อาจจะมีแต่ปัจจัไปไม่ไม่เป็นประเด็นประเด็นนั่คือหลังจากที่มีอาการแล้วจิตสงบแนงหรือไม่คำถามจากคุณพิริยาครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ตามที่พระอาจารย์เคยบอกว่าเมื่อเราตายไปแล้วเราต้องไปรับบุญและรับบาปที่เราทําไว้จนกว่าบุญและบาปจะเสมอกัน แล้วทำไมคนที่เกิดมาใหม่ถึงได้แตกต่างกาันคะทาั้งที่บุญและบาปก็เสมอกันแล้วเพราะนิสัยสัญญาณที่ชอบทําบุญทําบาปมันไม่มันไม่หายไปไงมันติดอยู่ในใจเราคนที่ชอบทําบุญก็จะมาทําบุญต่อคนที่ชอบทําบาปก็จะทําบาปต่อเหมือนกับคนที่ถนัดซ้ายถนัดขวา ท, ทําไมพวกเราถึงมีการถนัดไม่เหมือนกันเพราะชาติก่อนเคยถนัดขวาก็จะมาใช้มือขวาชาติก่อนเคยถนัดซ้ายก็จะมาใช้มือซ้าย ชาติกอนถนาเล่นกีฬาก็จะมาเล่นกีฬาชาติกอดเคยเป็นหมอก็จะมาเป็นหมอในชาตินี้ต่อชาติกอดเคยบวชก็จะกลับมาบวชใหม่อันนี้เป็นเป็นนิสัยสัญญาที่ติดอยู่ในใจที่ไม่เกี่ยวกับบุญกับบาตรแล้วแล้วทําไมคนถึงแบบรวยจนต่างกันหาความแข็งแรงร่างกายต่างกันนี้นะครับอาจารย์ครับก็เรื่องไม่เห็นสมของบุญกับบาตที่เราทําไป <Okay. S 2> ถ้าเราทําบาปไว้มันก็จะทําให้ร่างกายแล้ว เ, เกิดมาอาการไม่ครบสามสิบสองก็มีมีโรคภัยไข้เจ็บเปลี่ยนเปลี่ยนก็มีมีผิวพรรณไม่ผ่องใสมีรูปร่างหน้าตาประหลาดอันนี้เป็นเป็นเป็นผลของบาปที่ยังคั่งค้างอยู่ในจิตอยู่เช่นเดียวกับบุญถ้าคนมีบุญมากกว่าเวลากรรมมาเกิดนี่ก็จะมีผิวพรรณผ่องใสมีรูปร่างสวยงามมีสุขภาพแข็งแรง คุณนิครับกา่าวในพิธการค่ะอยู่บ้านคนเดียวปฏิบัติโดยการเดินจงกรมนักสมาธิอ่านสื่อธรรมและฝังเทศพยายามทำไปเรื่อยๆจะมีโอกาสบรรลุธรรมไหม่คะหนูทําบุญถือศีลด้วยค่ะก็ล อ, องทําให้มันได้ผลนักสมาธิทำจิตโดนให้เป็นอัปพนาสมาธิให้มีจิตเป็นอุเบกขาให้ได้พอมีอุเบกขาล้วก็มาพิจารณากายเวทนาจิตเพื่อปล่อยวางปล่อยวางได้ก็บรรลุธรรมได้ คุณแฟตบอยบอกว่าทําท่านพระอาจารย์มหัศาจาร ย, จรย์จริงๆครับคืนนี้การตังพิธีการครับศษาเธุยินดีรับคําย่อ <c ười> คุณรัชยาครับการตั้งพิธการพระอาจารย์ค่ะเขาโอกาสถามการพิจารณาไตรักณเราจะพิจารณาเมื่อมีอารมณ์มากระทบหรือพิจารณาเมื่อไหร่ก็ได้ครัคือการพิจารณานี้ทําในสองลักษณะมัทําแบบเตรียมตัวไว้ก่อนทําการบ้านไว้ก่อน ก่อที่มีอะไรมากระทบนี่เราก็พิจารณาไว้ก่อนเช่นถ้าเรามีอารมณ์กับเสียงคาราฮานินทาเราก็ต้องหัดพิจารณาสอนใจว่าเสียงคาราคาานินทานี้เราควบคุมบังคับไปได้สั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ไ ด, ไได้เราต้องยอมรับให้ได้ว่าเราไปมเขาจะด่าก็เราก็ต้องปล่อยก็ด่าให้ได้ น, นี้คือการทําการบ้านไวก่อนทําเต็มตั ว, วแล้วพอต่อมาเราไปได้ยินเสียงคาราฮานินทาเราก็จะได้ ทำใจให้เฉยได้ถ้าทําใจยังเฉยไม่ได้ก็แสดงว่ากําลังของเรากำลังอุปเบกขาของเราร่ายปัญญาของเรายัางไม่ทันยังไม่พอก็ต้องกลับไปทําการบ้านใหม่เวลาไปเจออารมณ์ที่มากระทบเ น, นี่เรียกว่าเจอข้อสอบที่บางทีก็เรียกว่าสอบอารมณ์ญาติโยมบางคนไม่เข้าใจคือว่าเวลาไปปฏิบัติทําแล้วไปสอบอารมณ์นี้การสอบอารมณ์ที่แท้จริงเขาไม่บอกว่าจะสอบอารมณ์ครับ ก็ต้องเาในตอนที่เราเฉลอตอนที่เราไม่ตั้งหน้าตั้งตาแล้วก็สอบใส่เราก็ามาอย่างได้อย่างนี้ตาหนิติเตียนเราว่ากล่าวเราดูซิว่าเราจะรู้สึกอย่างไรอันนี้ถ้าเราเฉยก็แสดงว่าเราสอบผ่านถ้าเราไม่เฉยเสียใจแล้วงงง่ายไม่กลับมาแล้ววัดนี้มาที่นโดนด่าทุกทีถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าสอบตกคุณปไพรสณีครับ ตอนนั่งรู้สึกว่าหมุนช้าไปเร็วแล้วมาช้าบ้างครั้งดิ่งขึ้นบ้างครั้งดิ่งลงบางครั้งไม่มีลมเห็นดวงแก้วใสถามดวงแก้วว่ า, าคืออะไรดวงแก้วตอบว่าคือตัวเราบางครั้งรู้สึกเบาแล้วลองคิดเอามือแทงดูทะลุเหมือนปุยนุ่นอาการนี้คืออะไรครับก็อาการตรงแต่งของจิตเพราะเราไม่มีสติคอยควบคุมน เ, นเราไม่มีสติอยู่กับพุโทโธไม่มีสติอยู่กับลมหายใจจิตมันก็คิดปรุงแต่งผลิตอาการต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ย ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะมันไม่ ม, ไ ม, มันไม่ทำให้จิตเราสงบได้นั่งก็ไม่ใช่ปัญญาอาจจะกลายเป็นความหลงอาจจะทําให้เราเสียสติได้ถ้านั่งลักษณะแบบนี้เราไปเห็นถึงอย่างๆแล้ว เ, เกิดไปเชื่อไปคิดว่เาเป็นนูน่นเป็นนี่ขึ้นมาแล้วนั่นจะกลายเป็นการเสียสติได้ต้องระว่านั่งสมาธิอย่าอย่านั่งโดยไม่มีสติคอยคํากับใจ ต้องมีพุโทโธแล้วต้องมีการเฝ้าดูลมหายใจอย่างต่อเนื่องแล้วจิตก็จะไม่มีแสดงอาการบบต่างเหล่านี้ขึ้นมาคุณตรงดิธ์ครับกับเรียนถามพระอาจารย์ครับอยากถามว่าพระอาจารย์ฉันเนื้อวัวหรือเปล่าครับก็แล้วแต่ว่าเขาเขาญาติยโยมจะใส่หรือไม่ก็ฉันบางทีก็ไม่ฉันก็ได้แล้วแต่อันนี้ไม่อยากจะพูดเพราะเดี๋ยวจะเป็นเรื่องเออเป็นโ ด, โดยหักก็คือบินบานมา ญาญโยมจะใส่แล้วมาก็ใญาญโยมใส่ไปแล้วผู้เวลาจะฉันก็มีมีมีสิทธิ์ที่จะพิจารณาเลือกฉันได้ตามตามที่ได้มาถ้าชอบฉันผักก็า จ, จะฉันแต่ผักอย่างเดียวก็ได้ไม่ฉันเนื้อ ก, ก็ได้ก็แยกเนื้อออกไปถ้าถ้าชอบปลาถ้ามีปลาก็ฉันปลาก็ได้อย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นกิเลสถ้าตามได้ที่มันมาตามมีตามเกิดเราไม่ได้ไป ปงแตกไปสรนหามันไปสั่งให้ก็หามาให้กับเราก็ให้ฉันตามมีตาเกิดไปถ้าไม่มีอะไรก็ฉันข้าวเปล่าไปคุกน้ำป่าก็ได้เย็นระดับความหิวคุณสุขใจครับนัมัสการถามพระอาจารย์คานดูชอบฝึกสติด้วยการเจริญมรณารู้สติค่ะทําให้มองเรื่องความตายเป็นเรื่องธรรมดาพูดเรื่องความตายบ่อยๆจนหลายครั้งที่รู้สึกเฉยๆ ถ้าต้องตายก็ไม่มีอะไรต้องเสียดายพร้อมตายได้เลยแบบนี้ถือว่าปฏิบัติมาถูกทางไหมคะถูกทางตอนนี้เรียกว่าการหนึ่งการเจริญปัญญาเนะี่ยมันกำลัานุสตินี้คือวิการเจริญปัญญาพิจารณาว่าร่างกายของเรามันไม่เที่ยงในที่สุดก็ต้องเข้าสู่ความตายไปถ้าเราพิจารณาแลต่เราเราจะไม่กลัวความตายก็ถือว่าเราหลุดจากกิเลชไ ป, ปเปาะนี่ยนละ คุณเอ็นทีโฟนครับการที่บางคนได้คู่ดีอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแต่บางคนได้คู่ไม่ดีต้องทุกข์ใจหรือเลิกกันเป็นเพราะอะไรคะขาเพราะว่าเขามีธรรมที่ทําให้เขาอยู่ร่วมกันได้ธรรมที่ทําให้เขาอยู่ร่วมกันได้คืออะไรหนึ่งต้องมีสัจจะครับคือมีความจีซื่อสัตา์ต่อกันสองมีจาคะคือมีการเสียสละให้ต่อกันและกันนะครับ สามีขันติความอดทนสี่มีความอดกลั้นเวลามีอารมณ์ไม่ดีก็อดกลั้นไว้ไม่ปล่อยระบายออกมาเวลาโกรธก็เก็บมันไว้ไม่ไม่ระบายออกมาอย่างนี้ยิมแทนที่จะแานที่จะระบายด้วยความเป็นแยเคี่ยวใส่ก็ยิ้มให้ถ้าอย่างนี้ก็อยู่ด้วยกันได้นาะนแั่นต้องมีการเสียสละแบ่งน้ำแบ่งสู้ ถ้าเขาต้องการอย่างนี้ก็เสียสละอะให้เขาไปเขาอยากจะได้อย่างนี้ก็จะอยู่ด้วยกันได้นะไม่ขัดใจกันคุณเปตองครับขออนุญาตถามพระอาจารย์ครับถ้าเราอยากจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้คนที่ตายแล้วเราควรจะทําเช่นไรครับก็ต้องทําบุญก่อนเนี่ยทำบุญในการให้ทานให้กับพระก็ได้ให้กับโรงเรียนก็ได้ให้กับใครก็ได้ะ ใช่แล้วเราก็จะสมีบุญคือความอิ่มใจสุขใจเราก็จะสามารถแบ่งบุญนี้ให้กับผู้ที่รองรับไปแล้วคุณจรินพรครับการใส่บาปด้วยเงินบาปไหมคะถวายเงินเพื่อให้ท่านเป็นปัจจัยในการเดินทางไม่บาปหรอกพแต่ว่าไม่ถูกกับกับพระวินัยของพระพระวินัยของพระห้ามไม่พระรับเงินกับมือต้องฝากไว้กับลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์เป็นผู้ดูแลรักษาให้ แ้วเวลาต้องการจะใช้เงินก็บอกให้ลูกศิษย์เป็นผู้ไปจัดการซื้อสิ่งที่ต้องการให้ไม่ให้พระครอบครองเงินให้ฝากไว้กับลูกศิษย์ที่ไว้ใจได้ถ้าลูกศิษย์ไว้ใจไม่ได้ฝากไว้แล้วเอาเงินไปก็ไม่สามารถที่จะไปฟ้องร้องเขาได้เพราะไม่ถือว่าเป็นเงินของพระเป็นเงินของญาติอยู่ก็บอก ย่าโยเข่าต่อไปว่าถ้าจะฝากเงินให้กับลูกศิษย์คนนี้ก็อย่าฝากนะเพราะว่าเขาฝากแล้วเขาไ ม, เาไม่เขาไม่เก็บไว้ให้กับพระใช้เขาเอาไปใช้เองนี่ก็บอกได้มาคุณลัปิดครับกลับเป็นถามพระอาจารย์ค่ะเมื่อปฏิบัตินึกถึงพุทโธเหมือนเป็นคํำลอยๆไม่นิ่งต้องฝึกอย่างไรให้จิตนิ่งคะขอคําแนะนําการฝึกสมาธิเพื่อช่วยแก้ปัญหานอนไม่หลับด้วยคะ่ะสาธุครับ ก็ดูลมเฉยๆดูลมหายใจดูที่ป่ายจมูกถ้าพุโทโธแล้วมันยังมันลอยๆดูลมได้หรือเปล่าดูลมให้มันดูที่จุดเดียวดูลมเข้าลมออกเพียงอย่างเดียวอันนี้ก็จะทําให้จิตเน่งได้แต่ถ้ามันยังคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้อยู่บางทีต้องอาศัยคําบริกรรมพุโทโธช่วยหยุดความคิดไว้ก่อนแล้วค่อยมาดูลมได้คุณเสกสรรครับกาศมัทสการพระอาจารย์ขอครับปรึกษาครับ ถ้ามีเพื่อนร่วมงานมีนิสัยชอบเอาเปรียบในการทํางานทุกครั้งควรปฏิบัติตัวหรือฝึกใจอย่างไรครับส่วนตัวแกล้งไม่สนใจแต่เป็นทุกข์อยู่ภายในครับขอบคุณครับก็ ถ, ถือว่ามีโอกาสฝึกธรรมะก็แล้กันคือจาทะการเสียสละแบ่งปันให้เขาเอาเปรียบไปเราก็จะได้หมุนได้หมุนจากการที่เรายอมเสียสละให้เขาเอานั้นเอาเปรียบเราถ้ามออื่ยี่เราก็จะถือว่าเป็นโอกาส ที่เราจะได้มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมได้ฝึกจิตฝึกใจให้รู้จักวล่ยวางแบ่งปันเสียสละกุณดีๆครับกลับเรียนถามท่านพระอาจารย์ค่ะพระอริยบุคคลระดับพระอาหารหันต์ท่านยังยินดีในการสร้างถาวรวัตถุเช่นโบสถ์เจดีย์เพื่อประโยชน์ทางสร้างศรัทธาในพุทธศาสนาอยู่ไหมเจ้าคะ่ะท่านไม่มีความยินดีกับอะไรทั้งสิ้นในโลกนี้ แต่ท่านอาจจะทําอะไรต่ตางๆแล้วแต่เหตุผลที่อาจจะทําให้ท่านทําแต่ท่านไม่ได้ทําด้วยความยินดีคือไม่ได้ทําด้วยอารมณ์การกระทำของป้าหลันทุกอย่างนี้เป็นเพียงกิริยาคือไม่มีส่วนของความรู้สึกของใจเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเลยเช่นความรักความยินดีต่างๆนี้ไม่มีแต่ท่านทําด้วยเหตุด้วยผลเช่นหลวงตามาบบัวนี่ท่านก็ ทำภาพป่าช่วยชาติทำภาพป่าช่วยชาติเนี่พราะว่เห็นได้ผลช่วงนั้นท่านเห็นว่าชาติเรากําลังขาดเงินสํารองถ้าท่านก็เป็นเหมือนเป็นผู้ที่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะท่านก็เลยบอกคันะกบลูกศิษย์ลูกหาว่าเรามาช่วยชาติกันดี ก, กว่า mm hmm. ก็เหมือนสร้างเครดิตนะแทนที่จะสร้างเครดิตก็สร้างสร้างเงินเงินคลังหลวงแทนที่เงินคลังให้มันเป็น เนเงินสำรองเพื่อที่จะได้ไม่ถูกต่างชาติเข้ามาควบคุ ม, มครับให้เราทําอย่างนั้นทําอย่างนี้เพื่อใช้หนี้ครับคุณแองเจิลครับคําถามการเรียนถามว่าถ้าเรานั่งผ่านความเจ็บและเรานิ่งจุดเปลี่ยนความโกรธเป็นเมตตาแล้วแสดงว่าเราปฏิบัติถึงขั้นไหนแล้วคะก็เถึงขั้นนั้นแหละมันไม่มีมันมันมันยังไม่ได้อยู่ในขั้นของภาเรียน เือมันอาจจะเป็นเป็นความเป็นรัะเป็นความชั่วคราวนั่นเองความจริงเราต้องละร่างกายเราให้ได้ไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายละอารมณ์ต่างๆให้ได้ถึงจะบรรลุถึงขั้นต่างๆได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการบรรลุอาจจะไม่ได้เป็นเป็นเป็นขั้นเป็นต่อนี่ยเป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเป็นเรื่องติดย่อยไป คนเมโลเตกครับอันนี้ถามอาจารย์ครับเวลาฝันว่ากินของอร่อยแล้วรู้สึกถึงรสชาติจึงฝันว่าเคยฝันว่าโดนยิงแล้วรู้สึกเจ็บจริงแต่มันรู้สึกซอฟกับความจริงตอนเราตกนรกหรือขึ้นสวรรค์ไม่มีกายจะซอฟแบบนี้ไหมครับหรือเจ็บเท่ากับมีกายมันก็อยู่ที่เราจะฝันแบบไหนฝันแบบไม่ก็เจ็บก็ได้ฝันแบบเจ็บก็ได้นีแล้วแต่ฝันฝันนี่ มันเหมือนความจริงเวลาที่เราฝันนี่เราจะไม่รู้ว่าเราฝันเราจะชคิดว่าเป็นความจริงมีคําถามหนูขออนุญาตถามพระอาจารย์นะคะหนูเป็นโรคประสาทและโรคไมเกรนขาแต่หนูไม่ได้ไปหาหมอตั้งนานแล้วควรปฏิบัติอย่างไรคะก็พยายามฝึกสติให้ใจนิ่งให้ใจสงบแล้วอาการโรคประสาทหรือไมเกรนนี่ก็จะเบาลงได้ คุณแพตครับการเรียนถามค่ะการปล่อยวางไม่ยึดติดว่าคนในครอบครัวก็ไม่มีตัวตนแตกต่างจากการเมินเฉยไม่ใส่ใจอย่างไรคะทำให้เราเป็นเหมือนคนใจดำไหมคะออการปล่อยวางนี่ปล่อยวางคือการยึดติดในตัวเขาแต่ไม่ปล่อยวางหน้าที่ที่เรามีต่อเขาคือเราต้องมีหน้าที่ของเราต่บุคคลหนึ่งก็ต้องมีเมตตากรุณามุนิตาปล่อยวางไม่โอเบกา แต่ก็ต้องมีเมตตากรภาวนาบุญญาด้วยถ้าต้องช่วยเหลือเขาว่าต้องช่วยเหลือเขาถ้าต้องทําให้เขามีความสุขว่าต้องทําให้เขามีความสุขถ้าเขาได้ดีดได้ดีก็ต้องสแสดงความยินดีอันนี้เป็นหน้าที่ที่ไม่ปล่อยปล่อยแต่การยึดไปติดว่าอยากให้เขาอยู่กับเราเป็นนานๆอยากให้เขาดีอย่างนั้นดีอย่างนี้อันนี้จะไม่มีคือการปล่อยวางแบบนี้เจ m e s ครับ ตัวเราไม่ใช่ของเราคืออย่างไรบ้างคะและจิตของคนเรามีกี่ดวงคะคขาบ่าตัวเราก็คือเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นความคิดเนีไยจิตเราคิดขึ้นมาเองที่ว่าร่างกายเป็นตัวเราคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของเราอันนี้เป็นความคิดของจิตจิตมีตัวเดียวในชะจิตพูดลูกๆูคินให้มีตัวเดียวคุณพัชรพรครับฝากเรียนถามพระอาจารย์หนู ดูแลคุณแม่จะได้บุญกุศลเหมือนออกปฏิบัติหรือเปล่าคะขอพระคุณคะมันก็ได้บุญในระดับทานในในบุญระดับการรับใช้ช่วยเหลือผูย้ยังไม่ยังมาทดแทนบุญที่จะไดจากการปฏิบัติทำไม่ได้มันคนคนระระระดับกันถือว่าอยู่ในระดับทานอยู่ในการแบกปันเสสละยังไม่ได้เข้ามาถึงระดับสติสมาธิและปัญญาทอย่างใด คุณชนันพรครับหากตักบาตรเราจะบอกพระไม่ต้องให้พรผิดไหมครับเพราะเกรงใจพระให้ให้พรตลอดทางกับผู้อื่นคือความจริงพระนี่ไม่ควรจะให้พรที่พระบวชมาที่นี่บางทีไม่มีใครสอนหลืมสอนแบบผิดๆเอเลยที่ว่าใครใส่บาตรก็ต้องให้พรความจริงการใส่บาตรนี้เป็นการรับของอย่างเดียวไม่ต้องมีการให้พรใต่ แต่ถ้าท่านจะให้พรก็ปล่อยให้ท่านให้ไปไม่ต้องไปขอร้องไม่ต้องไปบอกท่านแล้วแต่ท่านอะไรกันถ้าท่านอยากจะให้นักก็รับไปเพื่อไม่ให้เสียมาระยาคุณส่องเขียวหวานครับกาบเรียนถามพระอาจารย์การเห็นในพิธีกรรมต่างๆบางคนลุกขึ้นรําเป็นนักมวยบ้างเป็นฮนุมาลบ้างเป็นลิงบ้างเป็นต้นแสดงว่าจิตไปผูกพันกับอดีตชาติหรือเปล่าคะอยากทราบคะ่ะก็ไม่รู้ว่าเป็นของจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นการแสดง ก็ดูไปก็แล้วกันดูแล้วก็ปล่อยวางไปเพราะสมัยนี้มีการหลอกลวงกันได้เยอะนะดูอะไรอย่าเพิ่งไปเชื่อร้อยเปอร์เซ็นะดูแล้วก็ให้มีความคิดเผื่อไว้ว่าจะถูกหลอกก็ได้นะเขาก็กำเล่นเล่นละครให้เราดูก็ได้หรือนะเป็นเรื่องจริงของเขาก็ได้อันนี้ไม่รู้แต่ถ้าเราไม่ไปนสนใจก็ไม่มีปัญหาเล พุทธันครับขณะที่วิ่งออกกําลังกายถ้าจะภาวนาพุโทโธด้วยจะเพิ่มพลังสมาธิไหมครับก็เพิ่มพลังของสติแล้วเวลามานั่งสมาธิก็จะทําทให้จิตสงบได้ง่ายขึ้นเนี่ยที่บอกให้จเจริญกายเจรสตินี่ข้จเจริญทุกเีื่อวบทเดินยืนนั่งทําอะไรก็ให้มีสติอยู่ตลอดเวลาเช่นมีพุโทโธอยู่ตลอดเวลาก็จะทําทให้เวลานั่งสมาธินี้จิตสงบได้ง่ายได้เร็วและอยู่ได้นาน คุณสุภสัฒนครับหลังจากที่จิตรวมและลงสู่อสุภะในขณะนั้นจิตกลับถามว่าคือสัญญาหรือไม่เจ็ตเด้งออกเข้าสู่สมถะพอรู้สึกว่ามีกําลังเลยกลับลงไปพิจารณาใหม่ในเวลานั้นกลับเห็นจิตมองจิตที่พิจารณาอาสุภะอยู่กลายเป็นธาตุวิ่งผิดทางหรือเปล่าครับอาจารย์คจริงรถ้าจิตรูมแล้วมันจะต้องไม่เห็นอะไรเลยถ้าเห็นก็นแสดงว่าจิตไม่ได้รวมมีแต่เราคิดว่ามันรวมนัมัน มันก็ทําจิตก็เริ่มออกพิจารณาแทนที่จะเข้าสู่สมาธิและพิจารณาแบบนี้ก็จะไม่มีกําลังคือโอเบคามาช่วยให้ปล่อยวังได้อันนี้ควรจะอย่าไปสนใจกับการเห็นอะไรในขณะที่เรานั่งสมาธิจิตนวลจริงๆแล้วจิตจะว่าไม่ไม่มีอะไรให้เห็นให้รู้มีแต่ความสุขมีแต่โอเบขาเป็นที่ตั้งของจิต ซึ่งจะเป็นกำลังของจิตต่อไปเวลาเราพิจารณาสุภาพเพื่อตัดการมารมณ์ต่างๆคุณกฤชพรครับการนั่งกรรมาฐานช่วยแก้ไขดวงชะตาได้หรือเปล่าคะดวงชะตานีมันไม่มีหรอกเราเป็นเราคิดปรุงแต่งขึ้นมาเองมีแต่วิบากมีแต่ผลที่เกิดจากการกระทําของเราทั้งอดีตและปัจจุบันเรามีการกระทําอยู่ทุกวัน ทั้งอดีตเราก็ทำอยู่ตลอดเวลาทำมาตลอดเวลาปัจจุบันเราก็มีการกระทำกรรมอยู่ตลอดเวลากรรมกึอกานกนาาระทำทางกายทางวาจาและทามใจกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมแล้วก็ส่งผลให้เกิดความสุขความทุกข์ความเจริญความเสื่อมเสียตามมาเนี่ยคุณกำมลธรรมบอกว่าดีใจที่ได้เป็นลูกศิษย์อาจารย์นะครับ คุณกฤษณทัตกราบธรรมสการพระอาจารย์ครับข อ, อการเรียนถามรู้แล้วว่าความสงบก็เกิดดับความว่างก็เกิดดับไม่คงอยู่เทววรู้ที่เข้าไปรู้ก็เกิดดับเหลือรู้เฉยๆอย่างเดียวแต่ก็ยังคงลงไปเป็นตัวเราของเราในบางครัง้งควรทําอย่างไรต่อดีครับก็คอยเตือนตัวเองว่าไม่มีตัวเราตัวเราก็เป็นก็เป็นความหลงที่เราเชิดปูนแต่งขึ้นมาเองเราตัวตัวที่รู้นี่เป็นตัวรู้เฉยๆไม่ใช่เป็นตัวเรา ตัวคิดก็เป็นตัวคิดไม่มีตัวแล้วไม่มีผู้คิดเป็นความคิดให้รู้สอนใจอย่างนี้คือตัดตัวเวลาใครดา่าก็บอกไม่มีใครไม่มีไม่มด่าใครเมียงแต่ในการรับรู้ว่าเขาเขากําลังด่าแต่ไม่มีตัวตวนออกไปรับถ้ามีตัวตวนออกไปรับก็สแสดงว่าความหลนคุณนัทนานรับก า, นามมศนรัสการพระอาจารย์ปฏิบัติธรรม ทุกเช้าตามพระอาจารย์รูปหนึ่งใน u t u b e ทุกวันทุกวันพระจะมีการสมาทานสีนห่ห้าพอปฏิบัติเสร็จช่วงสายจะมีคนมาทำให้เกิดโทสะทุกว like ันพระแบบนี้คือโดนทดสอบจิตหรือเปล่าคะกลับมาพิการคะก็เป็นการทดสอบนะอยู่ที่ว่าเราทำเราผ่านหรือเปล่าเราเราเชืได้หรือเปล่าเราให้อภัยเขาได้หรือเปล่า คุณกัญชาครับเราจะบาลานซ์ความโลภจากการทําอาชีพที่ต้องทําให้ได้เป้าหมายการเติบโตของธุรกิจได้อย่างไรคะเป็นธุรกิจส่วนตัวกับอนุโมทนาบุญครับเราต้องกําหนดกรอบของรายได้ที่เราต้องการว่าเราต้องการรายได้เท่าไหร่คือเราต้องดูว่าเราต้องมีรายจ่ายเท่าไหร่และรายจ่ายนี้เรากําหนดได้ว่าควรจะให้น้อยที่สุดคือเท่าที่จําเป็นควรจะมีรายจ่าย ที่จำเป็นจริงๆเช่นคือก็คือปัจจัยสีน่นี่อ่าเครื่องรือผมที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอันนี้เป็นรายจ่ายที่เราต้องต้องคอยต้องรู้แล้วต้องคอยให้มันน้อยที่สุดทําให้มันน้อยที่สุดเมื่อเรารู้แล้วว่าเราต้องมีแค่นี้แค่นี้ต่อเดือนแล้วก็ทํารายได้ของเราให้มันได้ประมาณนั้นก็พอมันก็จะถือว่าไม่โรคคุณพัชรัตน์นายครับ ขอการเบียนถามครับการฟังธรรมะนี้ต้องดูจริตของตัวเองไหมครับรไม่ต้องธรรมะนี้ใช้ได้กับทุกคนอให้มีสติเวลาฟังธรรมะนี่ให้มีสติอยู่กับการฟังธรรมอย่าไปคิดถึงเรื่องต่างๆก็แล้วกันคุณฟิลนาครับนั่งสมาธิทุกวันท่องพุโทโธไปเรื่อยๆไม่ถึงสิบนาทีท่องพุโทโธถี่ขึ้นเพื่อชนะกับความคิดที่เข้ามาแทะจิตเหมือนตกหลุมตกบ่อสักพักหนึ่งก็นิ่งว่างทําแบบนี้ถูกต้องไหมครับ ถูกต้กเวลาจิตสงบจะเหมือนตกหลงตก บ, บ่กแล้วก็นิ่งว่างไปมีความสุขมีความมหัศจรรใจคุณอภิวัติครับกาลน้ัพการกรนครับอาจารย์ผมอยากบวชเรียนศึกษาพระธรรมแต่คนในครอบครัวไม่เต็มใจอยากให้บวชเพราะกลัวว่าจะบวชได้ไม่นานต้องทำอย่างไรดีครับเราก็เรียนศึกษาทรรมไปก่อนก่อนที่เราจะ แล้วต่อไปเพราะเรามีความมั่นใจว่าเราจะบวชได้เราก็ไปบวชจนานไม่นานมันไม่ใช่เรื่องของคนอื่นมันอยู่ที่ตัวเราท่านเองให้เราตัดสินใจเราเองว่าเราอยากจะบวชแล้วไม่บวชนะฮะมันไม่ได้อยู่ที่คนอื่นคนอื่นก็ไม่ได้บวชเราเป็นคนบวชมันอยู่ที่ว่าเรามั่นใจหรือไม่ว่าเราบวชแล้วเราสามารถอยู่และศึกษาปฏิบัติธรรมไปได้เรื่อยๆอันนี้ต่างหากที่เป็นสิ่งที่เราจะต้องทําความเข้าใจ คุณเทสเตอรอิงเดชแคมป์ครับทําไมจิตคิดลบหลูทั้งที่เคารพศรัทธามากแก้ไขอย่างไรคะคือมันเป็นนิสัยของเราที่มันชอบลบหลูมาเนื่องยกตนของท่านเป็นลักษณะของกิเลสนะฮะแล้วเวลามันคิดเราก็ห้ามมันจะบอกอย่าไปคิดอย่างนั้นให้ให้คิดในมุมกลับแทนที่จะลบลบลบหลูมาเนื่องก็มาลบหลูต่วเราเไม่ดีกว่าก็ถามว่าแล้วเราดีหรือเปล่าเราเราเราในวเข้าหรือเปล่าอะไรทําเรานี้นไม่ดีกว่า คุณนรุมนครับนักการะพระอาจารย์วันทางานเวลาพักเที่ยงชอบนอนฟังธรรมะจนหลับแบบนี้ถือว่าได้บุญไหมเจ้าคะไม่ได้หรอกว่ามันหลับนถ้าจะฟังธรรมะต้องให้เกิดปัญญาคือความเข้าใจว่าเราได้ฟังอะไรบ้างนี่ถึงจะเรียกก็ได้บุญได้ความรู้คุณอเอกสรีครับ กลับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะได้ฝึกสติด้วยการนั่งสมาธิเพิ่งเริ่มฝึกขาดนั่งได้ไม่นานก็ปวดเมื่อยและทิดฟรุงซ่านพอรู้ตัวก็มาตั้งสติใหม่วิธีที่จะนั่งได้นานๆและมีสติอยู่ในสมาธิได้นานๆ น, นั้นต้องพยายามทําไปเรื่อยๆนั่งให้นานมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วมันใจค่อยๆมีสมาธิมากขึ้นนานขึ้นเองกลับขอบพระคุณพาาระอาจารย์ค่ะเต้องพยายามฝึกสติให้มากๆก่อนมานั่งได้มีสติมากแล้วพอมานั่งมันก็จะนั่งได้นานสงบได้นาน ยังต้องพยายามฝึกสติอยู่เรื่อยๆตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจะนั่งถึงเวลาหลับนี่ให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายตลอดเวลาอย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆและให้มีคํารบรายการพุโทโธพุโทโธคอยควบคุมความคิดมันควบคุมใจให้อยู่ในปัจจุบันให้ได้และเวลานั่งสมาธิก็จะนําได้นานขึ้น คุณวินัยครับกาพ้าอาจารย์ครับผมนั่งภาวนาแล้วเมื่อลมหายใจหายจิตสงบนิ่งดูเฉยเฉยต้องทําอะไรต่อจากการดูซื่อครับก็ดูไปเรื่อยๆก่อนเพราะจิตยังไม่รวมถ้าจิตรวมมันจะรู้สึกว่าวกลงไปมันตกลงจากที่สูงเนี่ยแล้วก็นิ่งสงบแล้วก็มีความสุขขึ้นมาตอนนั้นไม่ต้องทําอะไรเพราะจิตมันจะเป็นอัตโนมัติมันจะมันจะนิ่งของมันอยู่เฉยเฉอย่างนั้นไม่ไม่ไมนิ่งไม่ทําอะไรก็ปล่อยมันนิ่งไปนาน คุณตักครับถ้าเราให้บริษัทฉีดปลวกมาฉีดป้องกันปลวกบางทีอาจจะไปทําให้สัตว์อื่นตายได้จะบาปไหมคะถ้าเราสั่งเขาก็บาปแต่ถ้าเขาอาสามาทําเองก็ไม่บาปนี่เดกเเรียกว่าต้องมีมีมีปัญญาในการพูดพูดแบบไม่สัง่งพูดในละักษณะถามเขาว่าบริษัทคุณมีบริการกําจัดปลวกใช่ไหม้าก็บอกใช่แล้วเขาคุณต้องการหรือเปล่า ผมจะมาทําให้แต่อย่างนี้เราไม่ได้สั่งเขาก็จะมาอาสาอาสามาทำเองย่างนี้เราก็ไม่บาปเราให้เขาเป็นผู้อาสามาทําอย่าไปสั่งเขาคุณอับเกล่ครับสาธุครับถ้าปรุงแต่งอสุภาษิตไม่ออกนอกเที่ยวอยู่ในกายฝึกเป็นซากศพไม่กําหนดลมหายใจเข้าออกแบบนี้ได้ไหมครับอาจารย์ได้แต่มันจะไม่ได้ ไ, ไ, ด ไ, ได้สมาธิจะได้ปัญญาในระดับจินตา ม, มยภาพญา ที่ยังไม่สามารถทําให้เราปล่อยวางร่างกายหรือละกามาหลบได้ถ้ายังไม่มีสบายทีใจจะไม่มีกําลังพอเห็นร่างกายสวยๆทำงานก็ลืมซากศพไปทันทีเลยคุณทรงศักครับการอยากหรือต้องการให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ถือว่าเป็นกิเลสไหมครับถ้าอยากให้ผู้อื่นพ้นทุกข์นี่ก็ถือว่าเป็นความกรุณาะ ก็ไม่ไม่ถือว่าเป็นกิเลสแต่เห็นแล้วก็ต้องทําให้เขาพ้นทุกข์ให้ได้ช่วยเขาให้ได้เช่นเขาอดอยากขาดแคลนขาดอาหารถ้าไปอยากเฉยๆแล้วไม่ทําอะไรนี่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่ก็มีความทุกข์ก็ช่วยเหลือเขาให้เขาพ้นทุกข์อันนี้ก็จะทําทให้เราเกิดความสุขขึ้นมาเป็นบุญขึ้นมาคุณกฤษณพลครับกาศนพสกา ร, พ, การพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เคารพ เคยได้ฟังว่าจิตเกิดดับตลอดเวลาแล้วจิตสุดท้ายที่ไปเกิดจะเป็นจิตดวงใดขอรับความดีความชั่วจะติดไปกับจิตได้อย่างไรขอรับเอ๋อจิตเป็นเหมือนดวงไฟดวงเดียวที่มันติดดับติดดับเคยเห็นไฟในช่วงที่เขาจัดงานปีใหม่หรืองานคริสต์มาสมมันก็มีหลอดไฟหลอดเดียวแต่มันมันมันเกิดดับเกิดดับมันของมันไปจิตก็แบบนี้จิตมีดวงเดียวแต่อารมณ์ต่างๆในจิตนั้นมีหลายหลายแบบ เดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็ฟุง้งซ่านเดี๋ยวก็สนมเนี่ยกว่าเกิดดับแบบนี้แต่ตัวจิตเองไม่มีวันดับมืนกับหลอดไฟที่ไม่มีวันหายไปหลอดไฟมันไปอยู่มันไปเรื่อยๆแต่ไฟลที่มันอยู่ในหลอดไฟนี่มันติดแล้วมันก็ดับดับแล้วมันก็ติดไปตามที่เขากําหนดมาคุณลิที่ลงครับเวลาเราสวดมนต์ที่ยิ่งพระเราเปิดวิทยุธรรมะแทนการสวดมนต์ได้ไหมครับ ถ้าเรามีสติอยู่อาการฟังก็ได้เป็นการใช้ใช้วิทยุธรรมะเป็นเป็นเป็นอารมณ์แทนที่เราจะสวดเองแต่ถ้าเกิดเราไม่มีวิทยุเราจะทํำยังไงถ้าเราไปอยู่ในที่ไม่มีวิทยุแล้วเราต้องการจะสวมดมนต์เราก็จะสวดไม่ได้เห็นทำแบบสมัยโบราณดีกว่าทําแบบไม่ต้องมีอะไรอย่างอื่นมาทําให้เราทําเองอัตตาเฮอัตโนนาโทนีกว่าอัดสวดมนต์เองดีกว่าแล้วต่อไปเราก็จะสามารถสวดที่ไหนก็ได้ โดยไม่ต้องอาศัยวิทยุมามาสวดให้เราอันนี้คําถามจากคุณพ่อผมเองครับอาจารย์โทรศัพท์สั่งร้านอาหารให้ผัดหอยลายให้สองกิโลกรัมหนีบาปไหมครับอาจารย์ครับก็อยู่ที่ว่าหอยที่เขาซื้อมานั้นเป็นหอยตายหรือเปล่า้าหอยที่เป็นหอยตายสั่งมา ก, ก็ไม่บาปแต่ถ้ารู้ว่าเป็นหอยที่ยังไม่ตายเราไปสั่งเขาก็ถ้าเราไปสั่งให้เขาคายเรานั่นเองมันก็บาป จากคุณพิชัยครับการเรียนถามพระอาจารย์ครับทําอาชีพเลี้ยงปลาขายให้กับพ่อค้าที่มารับซื้อที่บ่อปลาผู้เลี้ยงขายผิดศีลไหมครับไม่ผิดหรอกแต่เป็นอาชีพที่ไม่ไม่ไม่เป็นสมมาอาชีพพระเจ้าสอนว่าอย่าไปทําอาชีพที่ไปเบียดเบียนผู้ถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นผู้กระทําการเบียดเบียน ด, ด้วยตนเองก็ตามแต่เราก็เป็นผู้สนับสนุนให้ผู้อื่นเข้ามาเบียดเบียนก็ไม่ควรทำ คุณชลักด์ครับการทําทบุญเราจะรู้ได้ยังไงว่าญาติเราได้รับหรือไม่ครับส่วนใหญ่เราจะไม่รู้หรอกเพราะว่าเราไม่มียาอย่างชัดแต่เราก็ทําไปตามธรรมเนียมเมื่อเราทําบุญแล้วก็อุทิศ บ, บุญไปให้กับผู้ที่ร้รับไปแล้วถ้าเขาร้องรับเขาก็จะได้รับบุญชวนนั้นไปคุณเกษมครับสอบถามท่านอาจารย์ครับเวลากาหนดลมหายใจแล้วมักจะรู้สึกเหมือนบังคับลมทุกทีทําไปสักพักแล้วอึดอัดแบบนี้ทำในานแก้ไหมครับ ก็อย่าเพิ่งดูอารมณ์ตงลองสวดมนต์ไปก่อนแล้วบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปก่อนคุณจตุพล ค, ครับกล่าวพระอาจารย์ครับถ้าผมจุดภาวนาแต่บางวันก็ดื่มสุราถ้าดื่มแล้วจะภาวนาได้ไหมครับกล่าวสาธุครับก็อยอยู่ว่าดื่มมากดื่มน้อยเพราะการดื่มสุราเนี่ยจะทำให้เราขาดสตินั่นเอง ถ้าดื่มมากก็จะขาดสติมากถ้าดื่มน้อยก็จะขาดสติน้อยปกติไม่ดื่มสติเราก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วแล้วพอไปดื่มแอลกอฮอล์ยิ่งทําให้สติเราน้อยลงไปใหญ่ผลที่จะได้จากการนั่งสมาธิก็จะแทบจะไม่ได้เลยจะนอนใช่มากกว่าคุณโตคณาาณ้ครับกาพนัสการพระอาจารย์ครับเราจะอยู่กับคนที่เห็นธรรมะเป็นเรื่องตลกยังไงดีครับหรือควรจะค่อยทําให้เขารู้ว่าพุทธศาสนาที่แท้จริงนั้นคืออะไรครับ คือเราอย่าไปอยากให้เขาเห็นธรรมะว่าเป็นของดีถ้าเขาเห็นธรรมะเป็นเรื่องตลกก็ก็เห็นตามเขาไปก็หมดเลยอย่าไปอยากให้เขาเห็นตามเราเพราะเขาไม่มีปัญญาที่จะเห็นตามเราได้ดังนั้นเราก็อยากไปพยายามไปเปลี่ยนเขาก็หาจยอมรับเขาว่าเขาเป็นคนตาบอดทมุหนวกก็แล้วก็เขาเห็นธรรมะเป็นของตลกไปก็ปล่อยก็เห็นอย่างนั้นไปก็เห็นเราก็แบ่เนเสียหายตรงไหน ควาทุกข์เราเกิจากที่เราอยากจะไปสอนหรืออยากให้เขาเห็นว่าธรรมะเป็นเรื่องเรื่องจริงนั่นเองแเมื่อเขามองไม่เห็นก็อย่าไปบังคับกขาเลยเขาเหมือนคนตาบอดเราเป็นคนตาดีเราเห็นอะไรแต่เขาไม่เห็นเขาก็ว่าเราไปเห็นของตลกนั้นเองแต่เรารู้ว่าไม่ตลกเราล้วนเป็นของจริงแต่เราก็รู้ว่าคนตาบอดเขาไม่เห็นเราก็ไม่อยากที่จะไปเถียงกับเขาให้เสียเวลา คุณสุปตาสตาขับกลับถามพระอาจารย์ค่ะหนูอยากจะทานอาหารที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อหลักหนูกําลังลงมือทําแล้วหนูบอกกับตัวเองว่าเราไม่ได้หิวแต่นี่คือความอยากของเราอยูได้ตัดใจหยุดทําทันทีค่ะแบบนี้ถือว่าหนูปฏิบัติถูกต้องไหมคะถูกต้องถ้าเราหยุดความอยากได้ก็คือว่าเราไปในทางที่ถูกแล้วรับประทานให้กับร่างกายอย่าไปรับประทานให้กับตัวเราคือใจความอยากของเราเราไม่มีขอบเขตถ้าเราให้มันกินแล้วมันจะมันอยากขึ้นมาอยู่เรื่อย ถ้อย่าทังสร้างปัญหาเนี่ยคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักเกินก็เพราะว่ากินด้วยความอยากไม่ได้กินด้วยความเจําเป็นว่ามีคําพูดว่าให้กินเพื่ออยู่อย่าไปอยู่เพื่อกินคุณพีครับกาบเรียนถามครับอยากบวชที่วัดป่าเพราะเห็นว่าชีวิตทุกวันนี้มีแต่ความสุขชั่วคราวอยากได้สุขถาวรแต่มีภาระที่ต้องเรียนให้จบและต้องทํางานให้พ่อแม่ควรทําอย่างไรดีครับ ก็ถ้าต้องมีภาระยังตัดไม่ได้ก็ทําไปก่อนทําหน้าที่ของเราไปก่อนแล้วค่อยหาวิธีขยับขยายไปที่ลเล็กๆเพียรน้อยคุณน น, นพัฒครับขออนุญาตสอบถามพระอาจารย์ค่ะหากมีพ่อเจ้าชู้ผลกรรมจะสามารถตกมาที่ลูกสาวได้ไหมคะไม่ได้หรอกของใครข อ, ของมันกรรมนี่เป็นของใครของมัน คุณเจษดากรครับกาบเรียนถามพระอาจารย์ครับเคยนั่งสมาธิบนเตียงก่อนนอนโดยปิดหลอดไฟผ่านไปจักพักเหมือนมีไฟฉายมาส่องดวงตาทั้งที่ใจสงบว่างเปล่าไม่ได้คิดอะไรเมื่อลืมตา ก, ก็ไม่เจอสิ่งใดเกิดจากอะไรครับก็เกิดจากความคิดทุงแต่งของใจเราเนี่ยนะเด็กวัดนี้นามถามกลาบนะักวิการครับทูงขวัตสิบสามคืออะไรครับแล้วก็มีอะไรบ้างครับ คือเป็นข้อวัดพิเศษเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เป็นข้อบังคับเป็นข้อเสนอนะเป็นออปชันเหมือนซื้อรถนี่เขามีออปชันให้เราติดนอแม็กติดแอร์ติดอะไรต่างๆภระมาบวช น, นี้ไม่ถูกบังคับให้ปฏิบัติทุกองควาสิบสข้อเป็นเรื่องของความสมัครใจแต่จะเสริมความการปฏิบัติให้เข้าไปได้เร็วขึ้น ทุดง13ข้อนี้ก็แบ่งเป็นเป็นหมวดหมวดเกี่ยวกับอาหารหมวดเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยหมวดเกี่ยวกับเครื่องนุ่งหและหมวดเกี่ยวกับความเพียรมีมีอยู่4 4 5หมวดด้วยกันเช่นทุดงข้อที่เกี่ยวกับอาหารก็คือหนึ่งบิณฑบาตเป็นวัดเนี่ยให้บินบ็นวัดไม่ให้สัง่งไม่ให้มีทุกศิษย์ไปสั่งซื้ออาหารมาให้กินเมื่นั้นจะกินอาหารก็ไปบิณฑบาต ไม่รอรับกินนิมนต์จากญาติโยมแึงแม้ญาติโยมจะนิมนต์ก็แม่ไม่รับนื้นถ้ารับก็ต้องขอไม่บินตาบาทกอันนี้เป็นเรื่องการถือครอบินตาบาทเป็นวัดสองชั้นในบาทเป็นวัดคืออาหารที่ได้มาก็จะใส่ไปใน<า>บาทเป็นภาชนะเดียวไม่ใช่ช้อนไม่ไม่ใช่ชาไม่ใช่อะไรต่างๆว่ามันเป็นภาระที่จะต้องมาอทําทความสะอาดแล้วก็เป็นกิเลส เาภาชนะก็จะทําให้เราแยากอาหารชนิดนั้นอยู่ตรงนี้ชนิดนั้นอยู่ตรงนี้แต่เวลากินจริงๆมันก็ไปรวมที่เดียวในท้องใช่ไหมอาหารทั้งหมดที่เรากินนี่จะแยกอยู่ในจานยัยงไงพอกินเข้าไปมันก็ไปรวมที่เดียวทัานก็เลยให้รวมอาหาราทั้งหมดที่เราจะกินไว้ในบาศเสียจะได้ไม่ยุงย่งยากจะไ ด, จะได้จะได้ตัดกิเลสเรื่องของความจุ้จี้จุกจิกเกี่ยวกับเรื่องอาหารชนิดต่างๆลงไปาานี่คือทฤษฎีคาว่าเกี่ยวกับอาหาร แล้วก็ฉันมือเดียวฉันให้บาลาให้ฉันมือเดียวคือนําพอนําฉันเสร็จแล้วพอโรคปั๊บอาบัดว่าอาบัดไปล้างแล้วที้งใ้ไม่ฉันอะไรแล้วที่เป็นอาหารสําหรับวันนั้นไรีว่าฉันมือเดียวนี่เกี่ยวกคือเกี่ยวกับหมวดของการรับประทานอาหารหมวดเกี่ยวที่อยู่อาศัยก็คือให้อยู่ตามที่เขาจัดให้เช่นไปอยู่วัดแล้วทําว่าเขาจัดให้เราอยู่กุฏิไหนก็เราก็อยู่ไปไม่ไปขอ ขอขออยู่กุฏินั้นกุฏินี้ได้ไหมอย่างนี้ไหมให้ให้ให้ให้อยู่ตามที่เขาจัดให้แล้วก็ให้อยู่ในไมาเช่นนั้นก็ให้ไปอยู่ในป่าเป็นการกดอยู่ตามโคนไม้อนี้ก็เลยบริการอยู่อยู่ป่าอยู่โคนไม้อันนี้ก็ไปทุนดวงเขาวัดส่วนใหญ่ที่เราเรียกพระทุนดวงเพราะว่าท่านถือข้อนี้กันท่านไปอยู่ป่าท่านไปการกดอยู่อยู่ตามโคนไม้ แล้วก็หมวดเกี่ยวกับจีวรก็คือใช้ผ้าบางสกุลเป็นวันคือสมัยนี้มันไม่มีแล้วผ้าบางสกุลก็คือผ้าหอ่อศพคือสมัยก่อนนี่เขาเวลาคนตายเขาไม่เผาไม่ฝังเพราะยาวผ้าหอ่อศพแล้วไปทิ้งไว้ในป่าช้าให้เน่าเปื่อยไปแล้วอออพอพอพอพระต่ตางๆผ้าพระก็ไปชักผ้าบางสกุลจากจากผ้าห่อศพเหล่านี้มาทําตัดเย็บเป็นผ้าจีวร อ, อีกที่ ไม่รับผ้ากถินไม่รับผ้าที่สําเร็จรูปแล้วเช่นสบายนิ ย, ยนมโยมไปซื้อมาตามร้านถ้าถือผ้าบา ง, บางสกุลก็จะไม่ไม่รับผ้าต่างๆนอกจากต้องไปหาผ้าในป่าชามาตัดมาเย็บนองซับมายอ้อมเป็นชีวอนของต้นแล้วก็ข้อที่เกี่ยวกับการปฏิบัติความเพียรก็คือกา ร, รในสัจชิกในสัจชิกก็คือการคือสามีเดียบท์เดินยืนนั่งแต่ไม่นอนไม่เอ็นหลัง ถ้าจะหลับก็ให้หลับอยู่ในสามท่านี้จะได้ไม่หลับมากจะได้มีเวลาทำคามเพียรได้มากังนี้ก็คือพูดโดยสรุปโดยโดยไม่ละเอียดอาจจะไม่ครบทั้งสิบสามข้อเพราะจำไม่ได้พูดเท่าที่จำได้เป็นข้อว่าที่จะทําให้การปฏิบัติของเราเข้มข้นและทําให้เรานี้ต้องมีความอดทนมีความเพียรในการเจริญสติให้มากถึงจะสามารถปฏิบัติข้อว่าปฏิบัติเหล่านี้ได้ คำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับจากคุณอิงครับการบูชาเทวดากับการส่งเคราะเปรดคืออย่างไรครับก็บูชาเทวดาก็คือเราให้ความเคารพ ก, กับเทวดาถ้าเราถ้าเราพบปะท่านเราก็สแสดงความเคารพกับท่านเหมือนกับเราแสดงความเคารพกับผู้ที่เขาสูงกว่าส่วนการส่งเคราะเปรดก็คือการอุทิศบุญให้กับเปรดนี่ผู้ที่ลงรับไปนับที่มารับชมตรงนี้เราได้รับเปรด อาจารย์ครับวันนี้มีคนที่ร่วมฟังธรรมด้วยกันทั้งหมดนะครับจากในเฟ e บ o o k 788คนใน y o ย t u b e 622คนในครับเพา17คนครับมีผู้ที่ร่วมฟังธรรมด้วยกันทัง้งหมด 1,428 คนนะครับอาจารย์ครับิยินดียินดีที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมสังเทศนฟังธรรมสนทนาธรรมกันก็คิด ว, ว่าคงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอสาธุก็ขอลาคุณหมอไปถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คงได้พบปะเองในวันอาทิตย์หน้าครับกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับกราบสการครับเจริญขอเจริญพร